ท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายาการบรรยายธรรมะในวันนี้ เ, เป็นการบรรยายที่คาบเกี่ยวกันกับการบรรยายเทยวตา ม, มาอ่าเคยบ ร, รรยายที่นี่สองครั้งที่แล้วมา ขอทบทวนความจำแด่ท่านทั้งหลายที่เคยมาฟังในคราวก่อนอีกครั้งหนึ่งว่าในในการบรรยายครั้งที่หนึ่งั่นซึ่งเป็นการอภิปรายธรรมะโดยการได้ให้หัวข้อที่จะบรรยายไว้ สามหัวข้อหัวข้อที่หนึ่งงานคือการปฏิบัติธรรมหัวข้อที่สองอาการทำงานด้วยจิตว่างและหัวข้อที่สามมดธรรมที่จะพึงช้ในการทำงานด้วยจิตว่าง แต่แล้วในที่สุดการบรรยายขั้งที่หนึ่งนั่นก็บรรยายได้หรืออภิปรายกันได้เพียงหัวข้อเดียวคืองานคือการปฏิบัติธรรมแม้ในการบรรยายขั้งที่สองอภิปรายขั้นที่สองซึ่งตั้งใจไว้ว่าจะกล่าวให้จบอีกทั้งสองหัวข้อที่เหลือ ก็เป็นไปไม่ได้การบรรยายขั้น ท, ที่สองก็ได้แต่กล่าวถึงหมวดธรรมกล่าวถึงการทำงานด้วยจิตว่างแต่ภายใต้หวัวเรื่องว่าเราจะถือพุทธศาสนากันอย่างไรโดยใจความก็คือการที่เป็นอยู่หรือทำการงานด้วยจิตว่างนั่นคือวิธีที่เราจะถือพุทธศาสนาให้รัดให้ตรงให้ได้ประโยชน์เต็มที่ หัวข้อที่สามก็ยังคงเหลืออยู่จนกระทั่งบัดนี้คือหัวข้อที่ว่ามวดธรรมอันจะพึงใช้ในการทำงานด้วยจิตว่างดังนั้นจะต้องทบทวนความจำและความเข้าใจอีกสักเล็กน้อยที่ว่าการงานคือการปฏิบัติธรรม นั่นเป็นหลักที่สําคัญที่สุดให้ถือว่าการเสิดพืชถูกต้องในหน้าที่การงานนั่นคือการปฏิบัติธรรมแล้วก็งานนั่นก็เพื่อการปฏิบัติธรรมและงานนั่นก็เพื่องานนั่นเองไม่ใช่เพื่อตัวเราหรือเพื่อของเรา ถ้าทําความเข้าใจได้อย่างนี้ <c oughs> การงานนั่นจะกลายเป็นการปฏิบัติธรรมพร้อมกันไปในตัวกับการได้รับประโยชน์จากงาน <c oughs> เป็นการก้าวหน้าในทางธรรมพร้อมกันไปกับการก้าวหน้าในการประกอบอาชีพหรือการดำรงชีพการเป็นอยู่ทุกๆอย่าง นี่แหละคือใจความสำคัญของการบรรยายในครั้งแรกที่ในครั้งที่สองที่ว่าทำงานด้วยจิตว่างนี่หมายความว่าธรรมะมีไว้สำหรับให้คนเราประกอบการงานได้สำเร็จเต็มที่และไม่ต้องเป็นทุกข์ ดังนั้นจึงมีระเบียบวิธีปฏิบัติชนิดที่จะทำให้การงานนั้นไม่เป็นทุกข์ถ้าเราทำด้วยจิตวุ่นตามปกติชาวโลกตามธรรมดาสามัญแล้วงานนั้นจะเป็นทุกข์จะไม่รู้สึกสนุกและเพราะจิตใจวุ่นนั่นเองงานนั้นจะไม่ได้ผลดีเต็มที่ <c oughs> เพราะฉะนั้นเราจึงมีอุบายวิธีที่จะเรียกว่าเคล็ดหรืออะไรก็สุดแท้สำหรับทำงานให้ไม่เป็นทุกข์ให้ได้ผลเต็มที่และอันนี้เองเป็นความมุ่งหมายอของสิ่งที่เรียกว่าธรรมะหรือพระธรรมหรือพระพุทธประสงค์พระพุทธองค์กัสรู้ขึ้นมาในโลกเพื่อช่วยสัตว์โลก แล้วก็จะช่วยตรงไหน <c oughs> ก็ช่วยตรงที่ไม่ให้มีความทุกข์ให้มีความทุกข์น้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้และมีความมุ่งหมายที่จะช่วยไม่ให้มีความทุกข์เลย <c oughs> เพราะฉะนั้นพุทธบริษัทจึงมีการศึกษาและการปฏิบัติต่างจากพวกที่ไม่เป็นพุทธบริษัทเป็นธรรมดาแม้แต่การงานก็ยังทาด้วยจิต อีกชนิดหนึ่งซึ่งไม่ใช่จิตของคนธรรมดาสามัญที่ไม่ได้รับการอบรมในทางคำ <c oughs> เนียรอาตจจมาได้ให้หัวข้อว่าทำงานด้วยจิตว่าง <c oughs> ที่นี่ปัญหาเรื่องจิตว่างนี่ยังมีข้างคาอยู่มาก <c oughs> จะเป็นเพราะว่าพูดไม่ละเอียดชัดเจนหรือว่าเพราะผู้ฟัง ไม่อาจจะเข้าใจ <c oughs> ก็สุดท้มีความเห็นที่ขัดแย้งเพราะความเข้าใจกันไม่ได้อยู่หลายอย่าง <c oughs> ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องอวินิจฉัยกันถึงความหมายของคำว่าจิตว่างอีกว่างตามสมควรในการบรรยายครั้งนี้ จึงจะสามารถบรรยายหัวข้อที่สามได้อามาจึงขอโอกาสในเบื้องต้นนี้ทบทวนความเข้าใจที่เกี่ยวกับคำว่าจิตว่างอันแรกที่สุดขอให้ระลึกว่ า, าคำว่าความว่างหรือจิตว่างนี่ เป็นเรื่องของบุคคลที่มีสติปัญญาพระพุทธเจ้าท่านสอนเรื่องนี้โดยการตรัสรู้ของพระองค์ตรัสรู้ถึงที่สุดแล้วก็สอนศัตว์ที่มีอุปนิสัยพอสมควรที่เรียกว่าในยบุคคล คือคนที่พอจะเข้าใจได้ <c oughs> ดังนั้นทำให้เรานึกเลยไปถึงว่า <c oughs> สิ่งที่เรียกว่าศาสนาศ า, นาสานาในโลกนี้อย่างน้อยก็มีอยู่ด้วยกันสองแบบ <c oughs> คือตรงกันข้ามศาสนาแบบหนึ่ง <c oughs> อิ่งศรัทธาคือความเชื่อฟังจากผู้อื่นและเชื่อตามผู้อื่นและอาศัยผู้อื่นเป็นที่พึ่งอย่างนี้ก็มีอยู่ในโลกหลายศาสนาหรือหลายแบบส่วนศาสนาอีกแบบหนึ่งนั่นยิ่งปัญญา เชื่อตัวเองเห็นด้วยตนเองและพึ่งตนเอง <c oughs> พุทธศาสนาอยู่ในพวกหลังนี่ <c oughs> ดังนั้นเรื่องความว่างในพระพุทธศาสนานี้เป็นเรื่องของปัญญาไม่ใช่เป็นเรื่องของความเชื่อ <c oughs> เมื่อพูดมาถึงเรื่องของศาสนาสองแบบ คือศาสนาที่อิงความเชื่อกับศาสนาที่อิงปัญญา <c oughs> อย่างนี้แล้วอาจามา ก, ก็จะถือโอกาสเลยไปถึงพูดถึงอาการที่เชื่อตนเองเห็นของตนเองทํำของตนเองและพึ่งตนเองนี้อีกสั ก, สกหน่อยเพื่อจะช่วยให้เข้าใจเอเรื่องความว่างดีขึ้น <c oughs> และยังเนื่องถึงไอ้ข้อหนึ่งซึ่งในการอภิปรายสองครั้งที่แล้วมาไม่ได้ทำความเข้าใจกันกับอาจารย์คริกริศ <c oughs> คือข้อที่อาจารย์คริกริศเสนอว่าในพุทธศาสนานี่ควรจะมีดอกมากกันขึ้นเสียที <c oughs> เรื่องดอกมากนี่อามารู้สึกว่า มีความเห็นตรงกันข้ามโดยประการทั้งปวงกับอาจารย์คิกริศเพราะฉะนั้นจึงไม่เ อ, อ่ยถึงจึงไม่ได้แสดงความคิดเห็นเป็นการอภิปรายเพราะเห็นอยู่ว่าเข้าใจผิดอย่างตรงกันข้ามไม่เหมือนกับเรื่องบางเรื่องหรือเรื่องอื่นๆซึ่งเข้าใจตรงกันบ้างหรือผิดกันบ้างก็เล็กๆน้อยๆสาหรับเรื่องลอกมานี <c oughs> จะพูดถึงพอเป็นเครื่องช่วยความเข้าใจสำหรับท่านทั้งหลายให้ทราบว่าในพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาอิงปัญญานั้นสิ่งที่เรียกว่าด็อกมาหรือด็อกมติกซิสเต็มนี่มีไม่ได้ <c oughs> เพราะเป็นเรื่องของศาสนาที่อิงความเชื่อ <c oughs> เกี่ยวกับคำคำนี้เข้าใจได้ง่ายในเมื่ออามาจะยกตัวอย่างว่า เมื่อยี่สิบกว่าปีมาแล้วทศ <c oughs> มาได้อ่านหนังสือข่าวที่มีผู้สัมภาษณ์ฝรั่งชาวต่างประเทศที่เข้ามาถือพุทธศาสนาเขาถามฝรั่งนั่นว่าทำไมจึงเปลี่ยนจากศาสนาเดิมมาถือพุทธศาสนาฝรั่งคนนั้นตอบว่าเพราะเบื่อดอกมาเอะเต็มที จึงได้ลาจากพุทธศาสนาลจากศ า, าสนาเดิมมาสู่พุทธศาสนาจ <c oughs> ึงที่เรียกว่าดอบมานั่นก็คือมติที่องค์การที่ทรงอํานาจของศาสนานั่นบัญญัติขึ้นให้ถือกันอย่างที่ไม่ให้วิพากษ์วิจารณ์แต่ประการใดให้เชื่อให้ยอมรับ <c oughs> ด้วยอํานาจหรืออทอริตี้ของศาสนานั่น <c oughs> เขาเรียกว่า uh, settle o p i n i o n แปล ว, ว่ามติอันนี้ตายตัว <c oughs> แล้วก็ตั้งไว้อย่างที่เรียกว่าคูขาดท่านนึกถึงคำด็อกมาด้วยด็อกมัตตในคำภาษาพูดธรรมดากันแล้วกัน <c oughs> คือการพูดอย่างปิดปากคนอื่น <c oughs> อย่างที่เรียกว่าโอ oh, หัง <c oughs> อรแกนสีคือว่าพูดได์มีอำนาจพูดได้ข้างเดียวคนอื่นพูดด้วยไม่ได้เนี่ยด็อกมาติกที่มาเป็นด็อกมาทางศาสนาก็คืออำนาจของโบสนั้นบัญญัติอะไรไว้ตายตัวแล้วไม่ต้องวิาพากษ์วิจาร์เพราะฉะนั้นตาเอรัติมีด็อกมานี่ มีได้แต่ในศาสนาที่อิงความเชื่อเป็นหลักเชื่อผู้อื่นจะเป็นพระเป็นเจ้าหรืออะไรก็ตามแล้วก็ต้องพึ่งผู้อื่นซึ่งจะเป็นพระเป็นเจ้าหรืออะไรก็ตามมีความเห็นของตัวไม่ได้ต้องเห็นตามที่ได้สอนไห้และได้วางไห้เป็นหลักให้เชื่อที่นี้พุทธศาสนาเป็นเรื่อง <c oughs> ของศาสนาที่อิงปัญญาอิงสติปัญญาของตัวเองอย่างหลักเครื่องกาลามาสูตรเป็นต้นนั่นแหละ <c oughs> เป็นเครื่องข้ามกันไม่ให้มีสิ่งที่เรียวกว่าด็อกมาขึ้นมาได้ในศาสนาประเภทที่เป็นศาสนาปัญญา <c oughs> แม้แต่พระพุทธเจ้าท่านก็ยังตรัสว่าอย่าเชื่อฉันต้องฟังดูว่าพูดอย่างไร มีเหตุผลอย่างไรเข้าใจมองเห็นแล้วจึงเชื่อกลายเป็นเชื่อผู้นั้นเอง <c oughs> สาวกของพระองค์เชนภาษาริบุตร <c oughs> ก็ยืนยันกับพระพุทธเจ้าอย่างนั้นในที่เฉพาะประพักพระพุทธเจ้าภาษาทุกอย่างยิ่งว่าเป็นการกระทำที่ถูก <c oughs> าศาสนาที่อิ่งความเชื่อกับที่อิงปัญญาต่างกันอยู่อย่างนี้ เพราะฉะนั้นเรื่องจิตว่างนี่เป็นใจความแท้ของพุทธศาสนาจะทำไว้ในรูปของดอกมาไม่ได้ท่านจะต้องไปคิดจนเห็นจนเข้าใจจนใช้ประโยชน์ได้ด้วยตนเองเราต้องเตรียมตัวที่จะเป็นพุทธบริษัทด้วยการใช้ปัญญาไม่ใช่ด้วยการใช้ความเชื่อ แม้ว่าในพุทธศาสนานี้จะมีคำว่าศรัท ธ, ธาคือความเชื่อแต่คำว่าความเชื่อนั้นผิดกันมีความหมายผิดกันความเชื่ออย่างหนึ่ง <c oughs> เชื่อตามาที่ผู้อื่นบัญญัติไหว้กล่าวไว้อย่างที่กล่าวมาแล้วในศาสนาที่มีดอกไม้ส่วในพุทธศาสนานี้ต้องเชื่อหลังจากปัญญา เมื่อปัญญาของตนอพิจารณาไปโดยทั่วถึงเข้าใจแล้วจึงเชื่อเมื่อยังไม่เข้าใจไม่ต้องเชื่อปัดทิ้งไว้ก่อนทําความเข้าใจกันไปเรื่อยๆจนกว่าจะเข้าใจแล้วจึงเชื่อเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรียกว่าศรัทธานี่จึงต่างกันกับความเชื่อชนิดที่เชื่อทันทีหรือเชื่อตามผู้อื่น ส่วนข้อที่พุทธบริษัทอุบาศกุบาสิกาบางพวกเชื่อพระพุทธเชื่อพระธรรมเชื่อพระสงฆ์เชื่อกรรมเชื่ออะไรอละตาไปก่อนโดยไม่มีปัญญานั่นนั่นมันเป็นความจําเป็นของบุคคลนั่นไม่ใช่เป็นหลักของพุทธศาสนาเลยแม้แต่ประการใดเขาไม่เข้าใจ <c oughs> แต่เขารักที่จะเชื่อเขารักที่จะเกี่ยวข้องด้วย <c oughs> เขาก็เชื่อ แต่ความเชื่อนั้นไม่สําเร็จประโยชน์อันใดบางทีกลับกลายเป็นกรงขังวิญญาณเอของบุคคลประเภทนั้นให้ตายด้านอยู่เพียงเท่านั้นถ้าเขาไม่สามารถจะทําให้เป็นไปในรูปของปัญญานั่นจึงเรียกว่าความเชื่อในพุทธศาสนานั้นไม่เหมือนกับความเชื่อในลทัทธิฝ่ายที่ เรียกกันว่าศาสนาที่อิงความเชื่อความเชื่อของพุทธบริษัทอยู่ในศาสนาที่อิงปัญญาเป็นหลัก <c oughs> ที่เราก็จะต้องใช้ปัญญาอย่าได้เชื่ออจตมาหรืออย่าได้เชื่อใครๆหรือแม้แต่พระพุทธเจ้าเองพระพเจ้าอาตมากล้าพูดอย่างนี้ก็พูดตามที่พระพุทธเจ้าท่านตรัส ว่าท่านจงเป็นอิสระในการที่จะคิดจะนึกจะพิจารณาจะเข้าใจในข้อปฏิบัตินั้ น, น, นและมีหลักในการที่จะพึ่งตัวเองเสมอที่เรียกว่าพึ่งตัวเองนี่ก็เหมือนกันยังฟังเข้าใจผิดกันอยู่มากส่วนมากก็ได้ยินได้ฟังประโยคที่ว่าอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแก่ตนซึ่งเป็นพุทธภาษิต แต่คนก็ไม่เข้าใจยังร้องว่าพึ่งพระพุทธเจ้าพึ่งพระธรรมพึ่งพระสงฆ์อยู่นั่นนั่นก็เพราะไม่เข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จริงๆนั่นเองถ้าเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จริงหมายความว่าตนเองได้ทำตนเองให้มีจิตใจเหมือนพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ <c oughs> มีจิตใจที่เป็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จิตใจนั้นก็เป็นที่พึ่งให้แก่ตน นี่คือการที่เรียกว่าพึ่งตนพระพุทธเจ้าท่านเป็นผู้ชี้ทางให้เราพึ่งตนค้นทางที่ท่านชี้ประเสริฐไม่มีใครเสมอเหมือนและท่านก็ทรงปัดออกไปว่าไม่ใช่ให้พึ่งท่านแต่ให้พึ่งตนเนี่ยเราจะมองเห็นความประเสริฐที่สุดของพระพุทธเจ้าที่ท่านไม่ต้องการอะไร ที่จะเอาบุญเอาคุณอะไรแก่พวกเรารอให้เป็นอิสระที่จะคิดจะวินิจฉัยจะวิภาควิจาร์แม่แก่พระพุทธเจ้าเอง <c oughs> แล้วก็มองเห็นจริงได้เท่าไหร่ก็เชื่อตนเองแล้วก็ทำเองแล้วก็ได้ผลเองแล้วก็เป็นที่พึ่งแก่ตนเอง <c oughs> ที่นี่เรื่องจิตว่างเป็นอันว่าปัดสัจชาทิ้งออกไปได้เลยไม่ต้องเชื่อ ท่านจึงมีอิสระที่จะไม่เชื่อเป็นอันขาดแต่ขอร้องที่จะให้วินิจฉัยด้วยสติปัญญาให้ดีที่สุดให้สุดความสามารถข้งท่านซึ่งอาตมาจะได้ซ่อมความเข้าใจเกี่ยวกับคำคำนี้ต่อไปตามสมควรก่อนแต่ที่จะกล่าวถึงหมวดธรรมที่จะพึงใช้ในการทำงานด้วยจิตว่างถ้าเรารู้เรื่องจิตว่างดี เราก็ทำงานด้วยจิตว่างได้ <c oughs> ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับจิตว่างหรือคำคานี้มีอยู่หลายหลายหลายแง่หลายหลายมุมมันจะมาประมวลมาเท่าที่เห็นว่าจำเป็น <c oughs> ข้อแรกก <c oughs> ็คือความหมายของคำว่าจิตว่าง <c oughs> จิตว่างในที่นี้ <c oughs> หมายถึงว่างจากกิเลสว่างจากความรู้สึกว่าตัวเราหรือตัวกูถ้ามันเดือดจัดก็เป็นตัวกูถ้ามันเมย่อยๆก็เป็นตัวเรา <c oughs> คำว่าว่างไม่ได้หมายความว่าไม่มีจิตและไม่ได้หมายความว่าจิตไม่ได้มีความรู้สึกอะไรขึ <c oughs> ้นชื่อว่าจิตแล้วต้องมีความรู้ต้องมีความรู้สึกเพราะ ธรรมชาติของจิตเป็นอย่างนั้นเองทีนี้ก็มีอยู่แต่ว่าจิตเนี้จะรู้สึกว่างหรือรู้สึกวุ่นถ้าจิตนี้รู้สึกว่างเราก็เรียกว่าจิตว่างถ้าจิตนี้รู้สึกวุ่นเราก็เรียกว่าวุ่นว่าจิตวุ่นถ้าว่างหมายความว่าว่างจากกิเลสคือว่างจากความรู้สึก ที่เป็นอุปาทานว่าตัวเราหรือว่าของเรา <c oughs> ลองคิดดูว่าเมื่อจิตนี่ว่างจากความรู้สึกว่าตัวเราตัวเราก็ไม่มีมีแต่จิตล้วน <c oughs> จริงหรือไม่จริงก็ลองคิดดูเองเมื่อจิตว่างจากความรู้สึกที่เป็นคอนเซ็ปต์ว่าตัวเรา สิ่งที่เรียกว่าตัวเราซึ่งเป็นมายานั่นก็ไม่มีก็เหลืออยู่แต่จิต <c oughs> นั่นจึงเรียกว่าจิตว่างคือว่างจากตัวเราเม <c oughs> ื่อใดเรามีตัวเราขึ้นมามีความรู้สึกว่าตัวเราขึ้นมาเมื่อ น, นั้นเรียกว่าจิตบวกอยู่กับความรู้สึกว่าตัวเรา <c oughs> คือมีตัวเราดังั้นจิตนั้นไม่ว่าง และวุ่นด้วย <c oughs> <c oughs> ในข้อนี้ก็ขอให้จําเพียงสั้นๆไว้ก่อนว่าที่ว่าว่างนี่ว่างจากกิเลสที่เป็นเหตุให้เกิดความรู้สึกอันเป็นมายาว่าตัวเราว่าของเราในขณะใดเราไม่มีความรู้สึกเป็นตัวเราเป็นของเรา ตัวอย่างเช่นขณะที่ท่านกําลังนั่งอยู่ที่นี่ไม่จะมีความคิดไปในทางไหนเกิดปัญญาอย่างไรก็ไม่ได้เกิดเป็นความรู้สึกไปในทางตัวเราอย่างนี้เรียกว่าท่านทั้งหลายกําลังมีจิตว่างจากตัวเราต่อเมื่อได้ได้มีอะไรมากระทบเกิดความรู้สึกไปในทางกิเลสตัณหาอุปาทานเป็นตัวเราเป็นของเรา เป็นเรื่องได้เป็นเรื่องเสียเป็นเรื่องรักโกรธเกลียดกลัวอะไรต่องนี้แล้วจึงจะเรียกว่าจิตประกอบอยู่ด้วยอุปาทานที่เรียกว่าตัวเราอย่างนี้เรียกว่าจิตไม่ว่างเพราะจิตมีตัวเราในขณะที่จิตว่างแม่ว่างตามธรรมชาติปราศจากความรู้สึกว่าตัวเราอาจจะมาเรียกว่าจิตว่างเมื่อจิตว่างจากความรู้สึกว่าตัวเรา สิ่งที่เรียกว่าตัวเราก็ไม่มีมีแต่จิ ต, ตล้วนๆประกอบอยู่ด้วยความรู้สึกอะไรก็ได้ตามประสาของจิตขอแต่อย่ามีตัวเรากันแล้วกัน <c oughs> ทีนี้ปัญหาถัดไปก็ว่าทําไมอจึงได้ใช้คําว่าจิตว่างซึ่งฟังดูก็แปลกประหลาด <c oughs> ที่จริงคํานี้ไม่แปลกประหลาด มีหลักมีเกณฑ์อยู่ในพระคมพีหรือในคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านได้ทรงสอนเรื่องความว่างนี้มากมาย <c oughs> ในพระใจปิฎกไปเปิดดูเองก็แล้วกันที่ในเมื่อใดจิตมีความว่างเป็นอารมณ์หรือมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งสิ่งหนึ่งซึ่งจิตไม่ได้ถูกจิตไม่ได้ยึดถือสิ่งนั้นว่าเป็นตัวตนของตนแล้วก็เรียกว่า จิตมีสิ่งซึ่งว่างจากตัวตนเป็นอารมณ์ <c oughs> จิตอย่างนี้ไม่สะดวกที่จะเรียกเป็นอย่างอื่นนอกจากจะเรียกจะเรียกว่าจิตว่างไม่มีคำไหนดีกว่าจะเรียกท่านสั้นง่ายๆว่าจิตว่างเพื่อความกันสะดวกสะดวกไม่มีเหตุผลอื่นดีกว่าที่จะไปเรียกอย่างอื่นท่านลองคิดดูว่าคาไหน ที่จะเหมาะสำหรับเรียกจิตที่กำลังไม่มีตัวไม่มีของตัว <c oughs> จิตที่กำลังไม่มีความรู้สึกว่าเป็นตัวไม่มีความรู้สึกว่าเป็นของของตัวจะเอาคำไหนคำพูดคำไหนมาเรียกจิตชนิดนี้ให้ดีไปกว่าคำว่าจิตว่างเนื้อมาให้ความคิดให้ความเป็นอิสระทางความคิดแก่ท่านทั้งหลายที่จะไปคิดดูเอง ว่าจะมีคำไหนที่เหมาะกว่าคาว่าจิตว่างที่จะเอามาใช้เรียกจิตในขณะที่ไม่มีความรู้สึกว่าเป็นตัวหรือว่าอะไรเป็นของของตัว <c oughs> เพราะฉะนั้นอาจจะมาจิงได้ใชค้คำคานี้เพื่อประหยัดเวลาของพวกเราในการที่จะเข้าใจเพื่อเข้าใจได้ง่ายเข้าใจได้เร็วแต่อาจจะเนื่องจากเป็นคำใหม่ สร้างความตื่นเต้นให้แก่ท่านทั้งหลายเกินไปก็เลยยังเข้าใจไม่ได้นั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งแต่เท่าที่อาตมาได้พยายามใคร่ควรวญอย่างยิ่งแล้วเห็นว่าเรียกอย่างนี้ถูกตรงทั้งโดยคําพูดคือพยัญชนะและทั้งโดยความหมายคืออัตถะ <c oughs> โดยตัวหนังสือก็ตรงตามเรื่องโดยความหมายก็ตรงตามเรื่อง เพราะฉะนั้นจึงได้เรียกว่าจิตว่างหรือใช่คำคำนี้เรียกจิตชนิดนี้ที่เรื่องถัดไปเรื่องที่มาอของเรื่องความว่างหรือจิตว่างนี่นี่แทบจะไม่มีปัญหาอะไรนัตธรมาก็ได้เคยบอกกล่าวหลายครั้งหลายหนแล้วแต่บางท่านอาจจะไม่สนใจดังนั้นจึงต้องนำมากล่าวใหม่ คือข้อที่มีบุคคลเป็นคราวาตกลุ่มหนึ่งไปเฝ้าพระพุทธองค์และทูลแก่พระพุทธองค์ว่าขอพระองค์จงรงแสดงคำซึ่งเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่พวกข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานพวกข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นขราวาตครองเรือนแออัดอยู่ได้บุตรรนา รูปล่กระจะขคลองหอมขอจงทรงแสดงสิ่งซึ่งเป็นประโยชน์เพื่อกูลแก่ข้าพระองค์ตลอดกาลนานพระพุทธองค์ทรงสดแสดงว่าทรงสดแสดงเรื่องสุญญาตาโดยหัวข้อที่สุ ป, ปัญจความว่าเย เ, เตสุตันตา สูตรทั้งหลายเหล่าใดตถาคตาพาสิตาอันเป็นคำที่ตถาคตได้พาสิตไว้คำพีราลึกซึ่งคำพีรัศขามีอัดอันลึกซึ่งโลกุตราอยู่เหนือโลกสุญญาตับปฏิสังยุตตาประกอบอยู่ด้วยความว่างเ <c oughs> นี่ยตามตัวบาลีเป็นอย่างนี้ โดยใจความก็คือว่าให้คาวาสเหล่านั้นสนใจในคำสอนที่พระองค์ได้บัญญัติไว้เองที่กล่าวถึงเรื่องเหนือโลกหรสูงไปกว่าโลกอันเป็นเรื่องลึกซึ้งและมีเนื้อความอันอมีอัด อ, อ, อ, อันลึกซึ้ง แต่ประกอบเฉพาะอยู่ด้วยเรื่องความว่าง <c oughs> แล้วขยายความออกไปกว่าพระองค์ทรงขยายความว่าข้อความที่กล่าวที่จะกล่าวกันต่อไปในโอกาสหลังวิจิตไัเรอบ้วยตัวอักษรย้อ น, <c oughs> วนชวนให้ฟังนั่น ล้วนแต่ไม่ประกอบด้วยสุญญาตาคือความว่างแต่ว่าคนจะชอบเรื่องชนิดนั้นกันมากขึ้นทุกทีและเรื่องชนิดนั้นไม่ใช่เรื่องที่ตะทาคดกล่าวผมได้ตัดไว้ว่าถ้าเป็นคํากล่าวของพระองค์จะต้องกล่าวถึงเรื่องสุญญาตาคือความว่าง ถ้าเป็นเรื่องคนอื่นกล่าวเขากล่าวกันอย่างตามใจชอบตามที่จะรู้สึกว่าภพเราะสนุกสนานหรือว่ามีรถมีชาติในทางชายความคิดเป็นนักปราศหรืออะไรก็ตามแล้วเขาก็ไม่กล่าวเรื่องจริตตาว่าอันนี้แหละเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลแกท่านทั้งหลายตลอดการมาน คือเรื่องสุญญาตาเนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์แก่คราว่าทั้งหลายตลอดกาลนานนี่ไม่ควรจะเป็นปัญหาอีกแล้วเพราะคําถามก็ได้ถามตรงๆคําสัตว์ของพระพุทธองค์ก็ได้ตัดตรงๆแก่คนที่เป็นขราวาาเพราะฉะนั้นไม่ควรจะ <c oughs> เข้าใจไปว่าเรื่องสุญญาตานั้นไม่ใช่เรื่องของคราวาาเป็นเรื่องของนักบวชชั้นสูงหรืออะไรต่องนั้น ซึ่งเป็นความเข้าใจผิด <c oughs> เรื่องสุญญาตาความว่างนี่มีใจความหรือมีเนื้อความมีความหมายกวา้างใช้ได้แก่คนทุกคู่ทุกระดับ <c oughs> แม้ที่เป็นคาราวาสเพราะเหตุใดจึงเป็นอย่างนั้นคำตอบง่ายนิดเดียว เพราะว่าเรื่องอื่นไม่ดับทุกข์นอกจากเรื่องสัญญาตาแล้วไม่เป็นเรื่องดับทุกข์และไม่ใช่เป็นเรื่องที่พระตถาคดกล่าวและไม่ใช่เป็นเรื่องที่ชวนให้ขึ้นเหนือโลกแต่เป็นเรื่องที่ชวนให้จมอยู่ในโลกคราวาตก็จมอยู่ในโลกพอแล้วอันเมื่อคราวาตต้องการอะไรคิ่ดีก็ควรจะเป็นเรื่อง ที่ถอนตนขึ้นมาจากการจมอยู่ในโลกเพราะเฮจานีเองพระองค์จึงได้ตรัสเรื่องสอุญญาตาแม่แก่คราวาสว่าเหมาะแม่แก่คราวาสที่ครองเรือนแออัดอยู่ในบุตรภรรยารูปไล่ของหอมอย่างนี้เป็นต้นนี่เรียกว่าเป็นที่มาของเรื่องความว่างโดยตรง ที่นี้ก็คือหลักทั่วๆไปจะเป็นหลักข้อไหนก็ได้ที่แสดงถึงความที่สิ่งทั้งหลายทั้งปวงว่างจากตัวตนว่างจากความเป็นของของตนหรือของใครเช่นประโยคว่าทำทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาหรือประโยคว่าทำทั้งหลายทั้งปวง อันใครๆไม่ควรจะเข้าไปยึดมั่นถือมั่นโดยความเป็นตัวตนของตนนี่คือการแสดงให้ทราบว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ว่าอะไรหมดเป็นสิ่งที่ไม่ควรไปยึดถือว่าเป็นตัวเป็นตนหรือเป็นของของตนเพราะมันว่าง น, นั่นเองแม้แต่ตัวความว่างนั่นเองก็ไม่ควรถูกยึดถือว่าเป็นตัวเป็นตน ของใครหรือของความว่างเองเป็นนั้นว่าสิ่งที่เรียกว่าความว่างนี่คือธรรมชาติที่แท้จริงหรือสภาวะที่แท้จริงของสิ่งทั้งปวงเราควรจะสนใจจนรู้จักสิ่งทั้งปวงให้ถูกตรงตามที่เป็นจริงเราจึงจะทาอะไรถูกต้องกับสิ่งทั้งปวง ถ้าเราเข้าใจสิ่งทั้งปวงผิดเราจะไปจัดไปทำเกี่ยวข้องกับสิ่งทั้งปวงให้ถูกได้อย่างไร <c oughs> ที่ใจความสำคัญของสิ่งทั้งปวงที่พาดพิงถึงมนุษย์พาดพิงถึงความสุขความทุกข์ของมนุษย์ <c oughs> ก็คือสภาพที่สิ่งทั้งปวงเป็นของว่างจากตัวตนที่ควรยึดถือควรยึดมั่นถือมั่นหรือควรสำคัญมั่นหมายว่าตัวเราหรือว่าของเรา พูดให้ชัดลงไปว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทุกสิ่งไม่ว่าอะไรหมด <c oughs> ว่างจากความหมายแห่งความเป็นตัวตนหรือเป็นของของตนเดี๋ยวนี้คนธรรมดาสามัญทั่วไปคอยเพ่งเล็งหรือจ้องจับสิ่งใดสิ่งหนึ่งส่วนหนึ่งอยู่เสมอที่จะเอาเป็นตัวตนเป็นของของตน <c oughs> ดังนั้นจึงถือว่ายังไม่เข้าใจสิ่งทั้งปวงตามที่เป็นจริงและโดยเหตุนั้นแหละจึงมีความทุกข์อยู่บ่อยๆถ้าเราจะเข้าใจสิ่งทั้งปวงได้เราต้องศึกษากันในส่วนนี้ก่อนส่วนที่ว่าสิ่งทั้งปวงว่างจากตัวตนว่างจากของของตนไม่ควรไปทำความสำคัญมั่นหมายในสิ่งใดว่าเป็นตัวตนหรือเป็นของตน แต่แล้วเราก็เข้าไปเกี่ยวข้องไปกระทาไปจัดไปทากับต่อสิ่งนั้นนันโดยเหมาะสมกับที่สิ่งนั้นนั้นเป็นสิ่งที่ว่างจากตัวตนเราจึงชนะเราจึงชนะหมายความว่าเราไม่มีความทุกข์เพราะเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นนันนี่เรียกว่าเราชนะสิ่งทั้งปวงด้วยวิชาความรู้เรื่องความว่างหรือสุญญาตา <c oughs> นี่เรียกว่าเรื่องความว่างนี่เป็นเรื่องที่มีหลักฐานที่มาซึ่งเป็นพระพุทธภาษิตโดยตรงทรงระบุไว้ว่าเหมาะสำหรับคาราวาสอย่างนี้ <c oughs> อยากรู้เรื่องนี้โดยตนเองก็ไปเปิดดูด้านในสังยุตตนิกาย <c oughs> คือพระสัพพใจปิดดกส่วนที่เป็นสุดตันตปิดดกและภาคที่เรียกว่าสังยุตตนิกาย <c oughs> มหาวาระ <c oughs> นี่ข้อต่อไปที่เราเข้าใจผิดกันจนเข้าใจเรื่องนี้ไม่ได้ก็คือว่า <c oughs> พุทธบริษัทในประเทศไทยเราซึ่งเป็นประเทศที่ถือกันว่าเจริญรุ่งเรืองโดยพระพุทธศาสนาแต่พุทธบริษัทส่วนมากเข้าใจอะไรบางอย่างไม่ตรงตามความจริง ของพระพุทธวจนะหรือของหลักธรรมก็มีเ <c oughs> ช่นเข้าใจไปว่า <c oughs> จิตนี่มีกิเลสอยู่เป็นพื้นฐานจิตนี่มีความรู้สึกเป็นกิเลสเป็นตัวกูเป็นของกูอยู่เป็นพื้นฐานตลอดอทุกลมหายใจเข้าออกนี่ก็มีกิเลสอยู่เป็นพื้นฐาน ถ้าเราค่อยไปแกะมันไปเคลียร์มันไปคุยมั น, ไ ป, มนไปเปลืองมันทคลีเล็กเคลี ย, ยน้อยแล้วก็ว่างจากกิเลสนั่นเป็นกลางกางคราวๆนิดๆหน่อยๆความเข้าใจอย่างนี้ถูกหรือผิดตั้นลองคิดดู <c oughs> ที่มาบอกว่าจิตของคนเรานี่มีความว่างปราศจากกิเลสอยู่เป็นพื้นฐาน <c oughs> กิเลสนั่นเพึ่งมาเป็นข่าวๆและเป็นเรื่องเล็กน้อย เป็นข่ า, าวๆนี่เราลองคิดดูว่าพิจารณาดูสังเกตดูเราเอาตัวเองเป็นประมาณว่าจิตของเราว่างอยู่เป็นพื้นฐานหรือว่าวุ่นด้วยกิเลสอยู่เป็นพื้นฐานถ้าเอาพระพุทธภาศิตเป็นหลักมันก็ง่ายนิดเดียวแต่เดี๋ยวจะหาว่า เกณฑ์ให้เชื่อบังคับให้เชื่อหรือจะเกิดเป็นตอกมากอะไรขึ้นมานี่ไม่จําเป็น <c oughs> แต่ว่าพระพุทธพระพุทธภาษิตก็มีอยู่ว่าปปัสระรรมิทังพิกพเวจิตตังโลกกรพิสูตทั้งหลายจิตนี้ประพัดสอน <c oughs> อาคันจุเกหิอุปกิเลเสหิอุปกิกิตถังแต่ว่าจิตนี้เศร้าหมองแล้วเพราะ อุปกิเลสที่เป็นอาคันตุกะเข้ามา <c oughs> นี่ตามตัวหนังสือว่าอย่างนี้ว่าจิตนี้มีธรรมชาติเป็นประพัดสอนแต่ว่าเศร้ามองเพราะกิเลสเป็นแขกเข้ามาเป็นครั้งคราวค <c oughs> <c oughs> ว่าอาคันตุกะนั่นก็คือแขกที่มาบ้านเราเป็นคราวคราวไม่ใช่มาอยู่ประจำที่พื้นฐานของจิต คือลักษณะประจําของจิตนี่เป็นประพัด ส, สอประพัด ส, สรังมีทางประพัด ส, สรังอีกทางพิฆเวจิตตังพิกิุทั้งหลายจิตนี้ประพัด ส, สอนเ <c oughs> ข้ามาประพัด ส, สอนคือใสกระจ่างมีรัศมีรอบตัว <c oughs> ไม่มีเศร้ามองไม่มีกิเลสแต่เมื่อใดกิเลสจอนเข้ามาเป็นแขลเป็นอาการตุกะเข้ามาเมื่อนั้นก็เศร้ามองไปอ่าไปขณะหนึ่ง อย่างนี้จริงหรือไม่น่ะเป็นจริงตามพระพุทธภาษิตนี้หรือไม่ท่านลองไปเฝ้าสังเกตจิตใจของท่านดูเองแล้วก็ท่านตัดสินเอาเองอัตมาเห็นว่านี้เป็นหลักพื้นฐานที่จะทำให้เข้าใจเรื่องต่างๆได้หรือไม่ได้เพราะว่าถ้าเราถือเสียว่าจิตมีกิเลสมีความหุ้นเป็นพื้นฐานแล้ว เรื่องมืนกต้องแปลกกันกับที่จะถือว่าจิตนี้มีความว่างอยู่เป็นพื้นฐานเพราะว่าเมื่อจิตมีความว่างอยู่เป็นพื้นฐานแล้วเราไม่ต้องทำอะไรมากเราเพียงแต่มีสติระวังอย่าให้แขกขึ้นมาบนเรือนของเรา <c oughs> หรือว่า <c oughs> ถ้าแขกมาเราก็ต้องต้อนรับอย่างที่ไม่ใช่ให้มาทำความเศร้าหมองให้แก่เรา <c oughs> แต่ถ้าถือเสียว่าจิตนี้เป็นกิเลสอยู่เป็นพื้นฐานคือเป็นตัวกิเลสอยู่เป็นพื้นฐานต้องไปแกะต้องไปกดต้องไปกวาดต้องไปล้างอะไรกันเป็นการใหญ่จึงจะสะอาดขึ้นมาสักนิดหนึ่งวันหนึ่งก็ทําให้สะอาดได้สักครั้งหนึ่งได้โดยยากอย่างนี้แล้วมันก็เรื่องประกายเป็นว่ามีเรื่องมากมีภาระมากมีหน้าที่มากมีความยากลำบากมากเหมือนกับที่ท้อถอยกันอยู่ตัวตัวไปเนี่ยเพียงแต่รักพื้นฐานมันก็ มีความสำคัญอย่างนี้เสียแล้วท่า น, นเราจะต้องชาระสัจสางในความเข้าใจพื้นฐานหรือหลับพื้นฐานอย่างนี้กันเสียก่อนลองคิดดูให้ดีว่าถ้าจิตนี้วุ่นคือเศ้าหมองอยู่ได้กิล่ลตเป็นความรักความโกรธความเกลียดความวกลัวความอะไรต่างๆอยู่จนประจําเป็นความวุ่นเป็นพื้นฐานแล้วพวกเราคงไม่ได้มีชีวิตรอดมาจนถึงวันนี้หือมานั่งอยู่ที่นี่ได้ เราจะต้องเป็นโรคเส้นประสาทเราจะต้องวิกเจริญเราจะต้องตายเพ ok. ราะฉะนั้นจึงขอบใจความว่างขอบใจความว่างอย่างยิ่งซึ่งมีอยู่เป็นพื้นฐานซึ่งทำให้มีระยะเวลายาวพอที่เป็นความพักครที่เป็นความดำรงอยู่ได้ของจิตที่ทำให้เราไม่ต้องเป็นโรคเส้นประสาทไม่ต้องเป็นโรควิกกเจริญหรือตาย มันจึงขอบใจความว่างที่ทำให้เรารอดชีวิตอยู่ได้และมันนั่งฟังกันอยู่ได้ท่านทั้งหลายลองไปคิดดู <c oughs> ทีนี้ที่จะต้องทราบต่อไปที่เป็นหลักพื้นฐานก็คือว่าเมื่อจิตนี้มีธรรมชาติประพัดสอนอย่างนี้แล้วมันหมายความว่าอย่างไรประพัดสอนนัายความว่ามีรัศมีรอบตัวสายกระจาง <c oughs> อย่างนี้ก็แปลว่าจิตที่ ยังไม่ถูกกิเลสเอเป็นอาคันตุกะเข้ามาครอบงำนั่นจิตนั่นเป็นประพัดสอนจิตนั่นสมบูรณ์อยู่ด้วยความหมายของคําว่าจิตหรือของคําว่ามโนมโนธาตุจิตธาตุวิญญาณธาตุธาตุคือแปลว่าธาตุความหมายของคําว่าจิตว่ามโนว่าวิญญาณอะไรห่ะนี่ในฐานะที่เป็นธาตุ ชนิดหนึ่งก็คืออมีคุณสมบัติรู้รู้รู้ได้อยู่ในตัวเองตอเมื่อใดมันเสียคุณสมบัติแท้ของมันมันจึงไม่รู้เช่นอวิชชาครอบงำกิเลสครอบงำมันก็สูญเสียคุณสมบัติเป็นรู้ผิดหรือไม่รู้ถ้ามันมีเป็นความเป็นอิสระเป็นประพัฒสอนมันมีส่วนที่จะรู้ และวิวัฒนาการขึ้นไปตามลำดับจนรู้ถึงที่สุดเพราะนเราจึงอมองเห็นได้โดยไม่ต้องเชื่อคนอื่นว่าในขณะที่จิตเราว่างโปรงแจ่มใสไม่มีกิเลสรบกวนนั่น <c oughs> เป็นจิตที่สมบูรณ์อยู่ด้วยสติสัมปชัญญะเป็นจิตที่สมบูรณ์เต็มเปี่ยมอยู่ด้วยปัญญา สมบูรณ์อยู่ด้วยปกติภาวะหรือปกติภาพของมันเองเมื่อจิตมีอยู่ในปกติภาพของมันเองแล้วสมบูรณ์อยู่ด้วยสติปัญญาสมบูรณ์อยู่ด้วยสติสัมปชัญญะท <c oughs> ่านลองไปเปรียบเทียบดูว่าเวลาที่เรามีจิตว่างโปรง่งมีปัญญาอย่างไรมีสัมปชัญญะอย่างไร พอจิตเราวุ่นวายเราสูญเสียสติสัมปชัญญะสูญเสียปัญญาอย่างไร <c oughs> นั่นจิตว่างกับจิตวุ่นนี่มันจะเหมือนกันได้อย่างไร <c oughs> มันจะต้องต่างกันอย่างตรงกันข้ามเสมอจิตที่แท้จริงที่ควรแก่น้ำว่าจิตนั้นต้องว่างคิอจิตที่เป็นประพัฒน์สอนแต่พออาการจุกะคือกิเลสเข้ามาครอบงำเส็จแล้วสูญเสียความเป็นจิตแล้วเราก็ไม่ควรจะเรียกว่าจิต มันเป็นเพียงของที่กำลังปรุงแต่งก็กระวนกระวายกระสับกระส่ายอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นถ้าเรียกว่าจิตก็ต้องเรียกว่าจิตวุ่นผิดไปจากสภาพเดิมเหมือนน้ำที่ถูกลมเป่าให้เป็นคลื่นอยู่ในรูปของคลื่นเสียแล้วไม่ใช่น้ำที่สงบเงียบ เัรจิตว่างก็คืออยู่ในปกติเดิมว่างสงบเงียบไม่ทุกมีสติปัญญาเต็มที่ <c oughs> พวกที่เขาถือหลักอย่างนี้อย่างรินแรงเขาก็พูดจะง่ายๆว่า <c oughs> จิตคือความว่างความว่างคือจิตความว่างคือพุทธะพุทธะคือความว่างเห <c oughs> ล่านี้เป็นอันเดียวกันหมดห <c oughs> มายความว่าเมื่อจิตมีความว่างเป็นอารมณ์นี่ ย่อมมีความเป็นพุท ธ, ธะคือรู้อะไรได้อยู่ที่นั่นนั่นความว่าง <c oughs> กับพุท ธ, ธะจึงเป็นอันเดียวกันและเมื่อจิตแท้คือขณะที่มันว่างนั่นความว่างก็คือจิตจิตก็คือความว่างและในขณะที่จิตว่างนั่นอยู่ในธรรมชาติเดิมของมันประกอบอยู่ได้ทำตรง ตามความหมายนั่นจริงว่าความว่างก็คือธรรมะธรรมะก็คือความว่างความว่างก็คือจิตจิตก็คือความว่างนี่เป็นเรื่องเดียวกันหมดแต่จะมาไม่ได้อแนะนําให้เชื่อหรือให้ยึดถือหลักเกณฑ์เหล่านั้นโดยที่ไม่ได้พิจารณาดูให้ดีซะก่อนและทั้งเป็นกฎเกณฑ์หรือหลักที่มีอยู่ในฝ่าย มหายานคือพุทธศาสนาอย่างมหายาน <c oughs> เราไม่จำเป็นี่ต้องรับเอามาทันทีแต่เราจะพิจารณาดูว่ามันเกี่ยวข้องกับมนุษย์อย่างไรและเกี่ยวข้องกับหลักพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาดอย่างไรเมื่อเอามารวมรวมกันแล้วเป็นสามฝ่ายคือเราด้วยพุทธศาสนาอย่างเถรวาดด้วยพุทธศาสนาอย่างมหายานด้วยแล้วเราควรจะได้หลักเกณฑ์อย่างไร <c oughs> จึงจะช่วยตัวเองได้ในการที่จะไม่ต้องเป็นทุกข์เฉพาะในที่นี้อาตมาอยากจะขอให้พิจารณาส่วนสำคัญในข้อที่ว่าขณะที่จิตว่างนั้นจิตสมบูรณ์อยู่ด้วยสติสัมปชัญญะสมบูรณ์อยู่ด้วยปัญญาและอยู่ในปกติภาวะของมัน <c oughs> ในขณะที่จิตวุ่นนั้นสูญเสียสติสมัชัญญะสูญเสียปัญญาไม่อยู่ในปกติภาพของมันดังนั้นจิตว่างก็คือจิตที่กำลังไม่ถูกกิเลสครอบงาแต่อยู่ด้วยปกติภาพเดิมของมันคือสติปัญญาส่วนจิตวุ่นนั้นคือจิตที่ถูกกิเลสครอบงาสูญเสียปกติภาพเดิมแล้ว ปราศจากสติปัญญาปราศจากสติสัมปชัญญะโดยสิ้นเชิงเมื่อท่านเปรียบเทียบกันดูรู้จักจิตว่างเป็นอย่างไรในลักษณะเช่นนี้แล้วเข้าใจว่าท่านทั้งหลายคงจะไม่มีความขลาดความกลัวต่อจิตว่างเหมือนคนบางคนซึ่งกลัวคำว่าจิตว่างนี่อย่างกลัวผีกลัวเสือกลัวอะไรทนองนั้น เพราะเขาไม่เข้าใจจึงมองเห็นเป็นสิ่งที่น่ากลัวเพราะว่าเขามีตัวตนหรือความคิดเห็นไ <c oughs> ปนในทางตัวตนมากเกินไปจนได้ยินคำว่าว่างแล้วก็สะดุง้ง <c oughs> ข้อนี้เปรียบกันได้กับพวกรมที่พระพุทธเจ้าทรันตรว่าพวกรมเมื่อได้ยินคำว่าละเสียซึ่งสักกายะแล้วก็สะดุง้งกลัวเหมือนกับความตายมาถึง เพราะว่าพวกกรมมีสักกายะจับคือมีตัวตนจัดเพราะธานงว่าเป็นตัวตนที่บริสุทธิ์มีความสุขที่สุดพอได้ยินคําว่าอจะละเสียซึ่งสักกายะท่านั้นก็รู้สึกเหมือนจะถูกฆ่าให้ตายคนบางคนพอได้ยินคําว่าจิตว่างหรือความว่างก็รู้สึกว่าเหมือนจะถูกฆ่าให้ตายอ <c oughs> ไม่มีอะไรที่จะเป็นตัวตนหรือเป็นของของตน แต่ถ้าได้ทำความเข้าใจกันใ ห, ให้เห็นชัดว่าจิตว่างมีลักษณะอย่างไรแล้วเขาจะไม่กลัว <c oughs> และเขาจะรู้ว่าสิ่งที่เรียกว่าจิตว่างนี่จำเป็นแค่แล้ว <c oughs> จำเป็นที่เราจะต้องรักษาให้คงอยู่ในสภาพว่างอยู่ตลอดเวลาอย่าให้วุ่นขึ้นมาได้และเราก็จะสามารถทำสิ่งต่างๆได้ ตามที่เป็นหน้าที่ของเราและเราจะไม่มีความทุกข์เลยจะมีชีวิตเป็นอยู่โดยไม่ต้องมีความทุกข์เลยและมีกำลังสติปัญญาอย่างยิ่งที่จะทำความก้าวหน้าต่อไปดังนั้นจึงไม่กลัวความว่างและไม่เห็นว่าความว่างเป็นเรื่องที่น่ารังเกียจเพราะว่าความว่างเป็นเรื่องความจริงอย่างยิ่ง นี่ลองคิดดูการถึงข้อแยง <c oughs> ้งมีมีคนเอาไปให้ดูเอามาให้ดูหรือบอกให้ทราบว่ามีการแยง้งฉันแย้งว่า <c oughs> จิตว่างนี่เป็นสิ่งที่มีไม่ได้ <c oughs> เพราะว่าจิตต้องมีอารมณ์เสมอจะว่างจากอารมณ์ไม่ได้ <c oughs> ข้อย่งนี้เป็นข้อย่างของคนที่อภิธรรมข้าวตาเกินไปจนตาฟางเราไม่ได้บอกว่าจิตว่างนี่ไม่มีอารมณ์จิตนี้เอ่จิตว่างนี่ก็ยังมีอารมณ์อย่างน้อยที่สุดก็มีอภาวะแห่งความว่างนั่นเองเป็นอารมณ์ เช่นพระาารหันต์ก็มีภาวะแห่งความว่างเป็นอารมณ์หรือว่าคนเราตามธรรมดาเรามีอะไรเป็นอารมณ์อยู่ในขนาดไหนถ้าจิตไม่ได้ยึดถืออารมณ์นั้นโดยความเป็นของรมเป็นตัวตนหรือเป็นของของตนแล้วก็เรียกว่ามีความว่างเป็นอารมณ์ได้เหมือนกันแต่ถ้าไปยึดถือในอารมณ์นั้นว่าเป็นตัวตนหรือของตนโดยบาทานอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วอย่างนี้เรียกว่ามีอารมณ์ ชนิดที่เป็นความบุ่น <c oughs> เราตามปกติถ้าไม่ยึดถือในอารมณ์ใดแม้จะกำหนดอารมณ์นั้นอยู่ก็เรียกว่ายังเป็นอารมณ์ที่ว่างจากความยึดถือจิตนั้นก็ยังว่างจากตัวตนจากของข้างต้น <c oughs> จิตมีสิ่งที่ไม่ถูกยึดมั่นโดยอุปาทานเป็นอารมณ์และเป็นชายได้ <c oughs> จะเห็นจะมีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอะไรเป็นอารมณ์ก็ตามแต่ถ้าไม่ยึดถือสิ่งนั้นโดยความเป็นตัวตนแล้ว <c oughs> ก็เรียกว่ายังมีสิ่งที่ว่างจากความยึดถือเป็นอารมณ์เรียกสันส้นๆว่ามีความว่างนั่นเองเป็นอารมณ์ <c oughs> นี่ก็เป็นอันว่าทำความเข้าใจกันเียใหม่ว่าไม่ได้กล่าวว่าจิตว่างนั้นไม่มีอารมณ์ จิตจะต้องมีอารมณ์นั่นเป็นธรรมดาถ้าเป็นจิตว่างก็มีความว่างหรืออารมณ์ที่ว่างจากความยึดถือนั่นแหละเป็นอารมณ์ <c oughs> ที่บางคนแย้งว่า <c oughs> จิตว่างหรือว่าทฤษฎีหรือการปฏิบัติเรื่องจิตว่างนี่ไม่ใช่ข้อปฏิบัติของชาวเมืองชาวบ้านชาวเมืองชาวชาวบ้า น, าานร้านตลาดอย่างนี้ขอตอบว่า ทฤษฎีหรือการปฏิบัติเรื่องกิจว่างนี้ยิ่งจําเป็นที่สุดสําหรับชาวบ้านร้านตลาดเพราะว่าชาวบ้านร้านตลาดนี่ร้อนร้อนกว่าพวกนักบวชร้อนกว่าพวกที่อยู่ในป่าในดงใครที่ร้อนมากคนนั้นควรจะได้รับของเย็นมาแก้โดยเร็วดังนั้นแหละพระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสถึงสุญญาตาแก่คราวาสกลุ่มหนึ่งซึ่งไปทูลถาม ว่าให้ใช้สุญญตาเป็นสิ่งปเป็นหลักปฏิบัติสําหรับเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่ท่านทั้งหลายตลอดกาลนาน <c oughs> เมื่อชาวบ้านชาวเมืองเป็นผู้ที่ร้อนมากกรรมกรทั้งหลายเป็นผู้ที่มีความทุกข์ร้อนมากเข <c oughs> าก็ต้องศึกษาสิ่งที่จะช่วยขจัดความร้อนนั่นออกไปนี่คือความมุ่งหมายของคาว่า จ, จิตว่างโดยแท้จริงคือมุ่งหมายจะใช้เป็นเครื่อง ดับร้อนของคนที่กําลังร้อนทีนี่ที่ว่าแย้งว่าอความว่างจิตว่างนี่เป็นเรื่องของพระอระหันต์จะเป็นเรื่องของบุตุชนมีกิเลสไม่ได้เพราะว่าพระอรหันต์เป็นผู้ที่ว่างจากอุปาทานส่วนบุตุชนต้องมีอุปาทาน ว่างไม่ได้ <c oughs> นี่ก็เป็นความเข้าใจผิดยังเรียกับที่กล่าวมาแล้วมา <c oughs> ที่ที่กล่าวมาแล้วคือต้องเข้าใจเซ่ถูกว่าสิ่งที่เรียกว่าอุปาทานความสําคัญมั่นหมายว่าตัวเรากับของเรานั้นไม่ได้เกิดอยู่ตลอดกาล <c oughs> ท่านไปคิดดูให้ดีความรู้สึกสำคัญมั่นหมายว่าตัวกูว่าของกูนี่คือกิเลสสิ่งนี้ไม่ได้เกิดอยู่ตลอดเวลา มีความว่างเ <c> อ <oughs> จากอุปาทานอยู่มากกว่าที่วุ่นอยู่ในอุปาทานถ้าเราวุ่นอยู่ในอุปาทานทุบลมหายใจเข้าออกแล้วเราก็เป็นโรคเส้นประสาทเป็นโรควิกลจริตและตายแล้วอย่างเดียวกันหากแต่ว่าความว่างจากอุปาทานตามธรรมชาติอย่างนี้ไม่เหมือนกับของพระอรหันต์ตรงที่ว่าของพระอรหันต์นั้นเป็นการว่างที่ถาวร เพราะท่านมีสติสมบูรณ์ผู้ที่เป็นนักธรรมะตัวจัดตัวยงคงจะยอมรับเป็นอันเดียวกันว่าพระอรหันต์นั่นไม่มีอะไรมากไปกว่าความเป็นผู้มีสติสมบูรณ์นี่เป็นหลักเกณฑ์ในพระไตรปิฎกสติสมบูรณ์คือไม่ไมขาดระยะ ไม่ขาดระยะก็แปลว่ากิเลสหรือความว่างหมดโอกาสที่จะเกิดโดยสิ้นกิเลสหรือความทุกข์หมดโอกาสที่จะเกิดโดยสิ้นเชิงนั่นตะสติสมบูรณ์อย่างนั้นคือความว่างสมบูรณ์ติดต่อกันโดยสมบูรณ์ส่วนบุคุช น, นี่ก็ว่างอยู่เป็นพื้นฐานแต่ปาทานมาแทรกแซงเป็นครัง้งคราวเราก็มีหน้าที่ที่ขจัดออกไปโดยวิธีคุมให้มันว่างอยู่เสมอ นั่นจึงมีคำสอนและข้อปฏิบัติเรื่องความว่างคําว่าความว่างหรือจิตว่างนี่ไม่ได้เล็งถึงธรรมะข้ออื่นๆเช่นคําว่าความอดกลั้นความขมจิตหรืออะไรสนองนั้นมีความหมายตรงตามตัวของมันเองว่าจิตที่ว่างอยู่โดยกิเลสตัณหาปาทานในขณะที่มีสติสัมปชัญญะอยู่ไม่ปล่อยให้กิเลสตัณหาปาทานเกิดขึ้น นี่เป็นสิ่งที่ต้องเอทําความเข้าใจโดยตรงที่ที่ว่าเราจะทํางานโดยจิตว่างหรือว่าจะเอาประโยชน์อะไรจากการทํางานโดยจิตว่างเราควรจะนึกดูต่อไป <c oughs> ถึงข้อที่ว่าเราทําอะไรในขณะที่จิตวุ่นนั่นมันเป็นอย่างไรเราทําอะไรในขณะที่จิตว่างนี่มันมันแปลกกันอย่างไร ยกตัวอย่างเช่นการพูดจาถ้าพูดด้วยจิตว่างมันเป็นอย่างไรพูดด้วยจิตวุ่นมันเป็นอย่างไรจิตวุ่นมีตัวกูมีของกูแฝงอยู่บ้างออกหน้ามาเลยบ้างแล้วก็พูดภาษาที่ไม่ใช่มนุษย์จิตที่ว่างไม่มีตัวกูไม่มีของกูเนี่ยพูดออกมาเป็นภาษาที่ไพเราะเป็นภาษามนุษย์ <c oughs> นี่เรียกว่าจาเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้อง มีจิตว่างในการพูด <c oughs> ที่นี่มาพูดถึงความหวังคนก็คิดว่าชีวิตนี้อยู่ด้วยความหวัง <c oughs> ถูกแล้วแต่ว่าความหวังนั่นควรจะเป็นความหวังของจิตว่างไม่ใช่ความหวังของจิตวุ่น <c oughs> จิตว่างประกอบอยู่ด้วยสติปัญญาสติสัมปชัญญะอย่างที่ได้กล่าวมาแล้วมากมาย นันถ้ามีความหวังด้วยจิตว่างก็คือหวังด้วยสติปัญญาด้วยวิชาด้วยญาณด้วยปัญญาเนี่ยจิตว่างนี่หวังอยู่ด้วยอำนาจของสติปัญญาส่วนจิตวุ่นนั่นหวังอยู่ด้วยกิเลสตัณหาที่คนโดยมากรู้รู้จักแต่เรื่องความหวังด้วยกิเลสตัณหาจึงเข้าใจผิดไปเสียว่าความหวังมีแต่อย่างเดียวไม่เออที่เป็นกิเลสตัณหาเท่านะั้น ไม่รู้ว่าความหวังของจิตที่ประกอบอยู่ด้วยสติปัญญานั้นก็มีมีอยู่เหมือนกันนันจึงเข้าใจกันได้ไหมว่าหวังด้วยวิ ช, ชาไม่ใช่หวังด้วยอวิ ช, ชาหวังด้วยอวิ ช, ชาย่อมต่างจากหวังด้วยอวิ ช, ชาวิ ช, ชากับอวิ ช, ชาย่อมต่างตรงกันข้ามเสมอ เราจะมีความหวังก็ให้หวังด้วยวิชาปัญญาแสงสว่างความรู้สติปัญญานี่ก็คื อ, อ, อความเข้าใจผิดที่เต็มไปในเมืองไทยทั่วทุกหัวระแหงก็ว่าได้คือไปเข้าใจหรือถือกันเสียว่าถ้าลงอยากหรือลงหวังแล้วเป็นกิเลสตัณหาทั้งนั้นจนพูดว่าถ้าอยากแล้วก็เป็นกิเลสตัณหาทั้งนั้น เป็นความโลภนั่นนี่ผิดอย่างยิ่งมันต้องมีข้อเท็จริงกันใช้ก่อนว่าความอยากนั่นอยากด้วยอำนาจของวิชาหรืออยากด้วยอำนาจของอวิชา <c oughs> ถ้าอยากด้วยอำนาจของอวิชาความอยากนั่นเรียกว่าตัณหาและเป็นมูลเหตุให้เกิดทุกข์เหมือนกับที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในอริยสัจว่าตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ แต่อย่าลืมว่าสิ่งที่เรียกว่าตัณหาในที่นั้นคือความอยากที่มีรากฐานอยู่ที่อวิชชา <c oughs> จงไปท่องปฏิเจตสมุบาทดูเริ่มต้นด้วยอวิชชาสังขารวิญญาณ น, นามรูปอันนาภิสะเวทนาตัณหาป่าทานภพชาติทุกข์ตัณหานี้มีรากฐานอยู่ที่อวิชชาแต่ถ้าว่าความประสงค์หรือความต้องการที่ไม่ได้มีรากฐานอยู่ที่อวิชชา แต่มีรากฐานอยู่ที่ปัญญาหรือวิชาเช่นความประสงค์หรือความต้องการที่จะดับกิเลสดับตัณหาดับทุกข์แล้วความอยากอย่างนี้ไม่ควรจะเรียกว่าตัณหาถ้าจะมีใครไปเรียกว่าตัณหาบ้างก็เรียกเพียงว่าผู้ทำภาษาชาวบ้านไม่ใช่ความจริงตัณหาจะมาจากวิชาไม่ได้จะต้องมาจากอวิชชา นั่นแหความอยากหรือความโลภหรืออะไรล่ะนี่จงวิิจฉัยกันด้วยดีๆจะได้มีความเข้าใจถูกต้องคือกล้าหวังหรือกล้าอยากให้ถูกวิธีที่ไม่เป็นกิเลสไม่เป็นตัณหาอเช่นความหวังด้วยจิตว่างความอยากด้วยจิตว่างความต้องการด้วยจิตว่างในการที่จะทําการงานในการที่จะกินอาหารในการที่จะสแสวงหาอาหารในการที่จะทาอะไรก็ตามถ้า หวังหรือทำไปในจิตว่างนี้ไม่เป็นกิเลสไม่เป็นตัณหาไม่เป็นความโลภเพราะว่ามีมูลมาจากวิชา <c oughs> ต่อเมื่อมีมูลมาจากอาวิชชาจึงจะเป็นโลภะตัณหา <c oughs> ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เ <c oughs> พราะนั้นจงเป็นผู้ที่มีจิตว่างสาหรับหวังสาหรับต้องการสาหรับดำเนินงาน <c oughs> นี่อานิสงส์ของความว่างเป็นอย่างนี้ <c oughs> อาตมาอยากจะพูดถึงอานิสงที่น่านึ ก, กอีกสักอย่างนึงว่าเราลองนึกดูถึงคำว่าเปรตซึ่งเป็นคำที่น่ากลัวค <c oughs> ำว่าเปรตนี่ยมีความหมายตรงที่ว่ามีความอยากมีความต้องการมากและก็ต้องการได้กิเลสตัณหาและก็ได้สิ่งสนองความอยากทีลนิดทีลนนิด เทียบเนี่ยตราว่าเขามีท้องเท่าภูเขาแล้วมีปากเท่ารูเข็มแล้วเขาจะกินอาหารให้อิ่มทันใจได้อย่างไรนี่คนสมัยนี้เป็นอย่างนี้กันหรือไม่หรืคนสมัยนี้เปรียบเหมือนกับคนมีท้องเท่าภูเขามีปากเท่ารูเข็มหรือไม่ถ้าเป็นอย่างนี้ก็แปลว่าคนสมัยนี้เป็นเปรดกันมากยิ่งขึ้น แล้วคงจะเป็นโรคประสาทกันมากยิ่งขึ้นเป็นโรควิกลจริตกันมากยิ่งขึ้นฆ่าตัวตายกันมากยิ่งขึ้นเนี่ยเพราะาเขาไม่ได้ทำงานในจิตว่างไม่ได้เป็นอยู่ด้จิตว่าง <c oughs> จึงมีอาการจีวะท่องเข้าภูเขาป่าเขารูเข็มเนี่ยมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยถ้าว่ารู้จักเรื่องของจิตว่าง <c oughs> แล้วทำงานในจิตว่าง ถ้าอาการที่เรียกว่าท้องเท่าภูเขาวปากเทรูเข็มนั้นจะหายไป <c oughs> ช่วยได้มากถึงอย่างนี้แม้สิ่งที่น่ากลัวอื่นๆที่เรียกว่าอบายภูมิเป็นนรกนรกหมายถึงการถูกลงโทษหรือว่าความร้อนอยู่ด้วยความหยากดิรฉานหมายความว่าความงูเงา่าเปรตหมายความว่าอยากมากผิวและไม่พออสุรกายหมายถึงความกลัวศัตรูของมนุษย์ เช่นความกลัวความอยากความหิวความงู้ง่าการถูกลงโทษนะนี่จิตว่างจะป้องกันได้แก้ได้โดยสิ้นเชิงคือจิตว่างไม่อนุภาพที่จะทั้งป้องกันและทั้งแก้ไขไม่ให้สิ่งที่เรียกว่าอบายภูมิหรือนรกในความหมายอย่างนี้เกิดขึ้นได้ถ้าเราทำงานด้วยจิตว่างเป็นอยู่ด้วยจิตว่างเราจะไม่มีความร้อน ไม่มีการถูกลงโทษไม่มีความงูเง่าไม่มีความหิวชนิดจี่ยากไม่พอไม่มีความกลัวอะไรหมดนี่เรียกว่าขึ้นจากอบายภูมิเริ่มนาจของการเป็นอยู่ในจิตว่างแม้ว่าจะเป็นเรื่องการทำการงานเพื่อส่วนรวมเช่นเพื่อประเทศชาติก็ต้องนึกถึงข้อที่ทำงานเพื่องานทำงานในจิตว่างนั่นคือทำงานเพื่องาน ประเทศที่จะเจริญทางเศรษฐกิจคนของเขาจะต้องมุ่งมั่นในการงานจนลืมตัวเองถ้าไม่ลืมตัวเองยังเห็นแก่ตัวอยู่แล้วจะมีแต่การดโกงมีแต่การทําการงานที่ไม่ประณีตสุขุม <c oughs> เขามีความหวังมีความต้องการด้วยจิตที่ประกอบด้วยสติปัญญาที่จะทําการงาน แล้วในขณะที่ทำการงานนั้นลืมตัวหมดมีอยู่แต่ ง, งานมีอยู่เฉพาะหน้าแต่ ง, งานกับสติปัญญาคือจิตว่าง <c oughs> และจิตว่างก็ทำการงานไปอย่างน่าประหลาดน่ามหัศจรรย์ในการค้นคว้าสิ่งที่ยากเย็นเช่นค้นคว้าเรื่องอิเล็กทรอนิกส์เรื่องปรมาภูเรื่องออกไปสู่นอกโลกอะไรก็ตามไอ้ <c oughs> <c oughs> นักค้นคว้าเหล่านั้นจะต้องลืม ลืมตัวเองลืมกระทั่งแม้แต่การกินอาหารการอะไรต่างๆมีสมาธิอยู่แต่ในงานด้วยสติปัญญานั้ น, น, นลืมตัวลืมสิ่งที่เป็นของตัวลืมอะไรหมดในขณะนั้นต้องมีจิตอย่างนี้จึงจะทำงานอย่างนั้นได้นอกจากเวลานั้นเขาจะมีความเห็นแก่ตัวเกิดเป็นคมแก่ตัวบ้างก็าตามใจเขาแต่ว่าในวินาทีในนาทีแห่งการทางานนั้น ต้องทำงานไปจิตว่างคือไม่มีตัว <c oughs> เขาจึงพบอะไรใหม่ๆชนิดที่มนุษย์ธรรมดาสามัญไม่อาจจะค้นพบได้ <c oughs> คือสีมุนีอะไรต่างๆที่อยู่ในป่าในดงที่จะค้นหลักประชัชญาค้นความคิดนึกเรื่องธรรมะก็เหมือนกัน <c oughs> ค้นจนลืมตัวค้นจนลืมกินอาหารจนลืมว่ากลางวันหรือกลางคืนจนลืมว่ากี่อาทิตย์แล้วกี่เดือนแล้วอย่างนี้เป็นต้น เราทำไปด้วยจิตที่มุ่งมั่นด้วยสมาธิในงานนั่นเพื่องานอย่างเดียวไม่ใช่เพื่อตัวกูไม่ใช่ของกู <c oughs> เนี่ยคือผู้ที่รู้จักเอาจิตว่างไปใช้เป็นประโยชน์ในการสร้างชาติสร้างประเทศสร้างบ้านสร้างเมืองค้นคว้าสิ่งต่างๆแม้แต่การพัฒนาที่เราต้องการกันนักว่าประชาชาติไทยต้องการพัฒนาก็อย่าลืมว่า การแต่พัฒนาการพัฒนาทางวัตถุหรือพัฒนาแต่คนนั่นไปไม่รอดต้องพัฒนาจิตใจาการพัฒนาจิตใจนั่นถ้าจะให้สำเร็จประโยชน์ได้จริงต้องเรียนรู้เรื่องจิตว่างว่าเป็นอย่างไรเสียก่อนเพื <c oughs> ่อเขาจะได้เป็นคนที่บริสุทธิ์เป็นคนที่ไม่มีตัวกูของกูอยู่ได้มากกว่าที่จะมีตัวกูของกูเนี่เขาจะทำงานเคื่องาน อย่างที่เป็นอุดมคติหรือเป็นสัมมั่มบุนํของศีลธรรมศีลธรรมสากลทั่วโลกและแม่ของศาสตร์พุทธของพุทธศาสน า, ศ า, ศ า, ศา <c oughs> ทำงานเพื่องานนี้ไม่มีตัวกูของกูเข้ามาแทรกแซงมีแต่สติสัมปชัญญะทำไปงานสำเร็จพลนงานนั่นให้ไปในเสียเมื่อต้องการก็ได้เมื่อไม่ต้องการก็ได้ <c oughs> แต่เพราะความที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นนั่นและไม่เป็นทุกข์ั้งในขณะที่ทางานหรือว่า ทำงานสำเร็จแล้วเนี่ยเราต้องพัฒนาที่จิตใจไม่ใช่พัฒนาที่ตัวคนหรือที่วัตถุเือนพัฒนาตัวคนหรือวัตถุแล้วมันก็เป็นไปไม่ได้มันเป็นไปอย่างที่เรียกว่าเหมือนกับหลับตากินพึ่งเนี่ยเป็นภาษาปากต้องนวนปากใต้มันต้องทนมากเกินไปให้พึ่งต่อยหรือว่าต้อง บังคับอย่างทำนองค่มเขาวัวให้กินหญ้าคนเขาไม่อยากจะทำโดยสุดจริตบังคับกันอย่างไรบังคับกันอย่างไรมันก็ไม่สุดจริตได้เพราะว่าไม่ได้พัฒนาจิตใจไปมัวพัฒนาวัตถุและพัฒนาเพียงแค่เปลือกนอกของคนทั้งหมดนี้ล้วนแต่เป็นสิ่งที่ต้องอาศายัยจิตว่างทัานั้น อาศัยหลักเกณฑ์หรือความรู้เรื่องจิตว่างดังนั้นจึงจะตําเร็จประโยชน์ได้ท <c oughs> ่านอายอยากจะกล่าวเป็นจานวนโวหารอีกสักอย่างหนึ่งว่าอจิตว่างนี่หรือความว่างนี่เป็นดนตรีอันไพเราะ อ, อยู่ในตัวมันเอง <c oughs> ชีวิตจะมีสภาพเหมือนดนตรีอไพเราะต่อเมื่อเรามีจิตว่างในขณะใดเรามีจิตว่างชีวิตเป็นดนตรีมันเป็นสิ่งที่น่าชื่นใจสัตว์ไร <c oughs> พอมีจิตวุ่นชีวิตนี้ก็หมดความเป็นดนตรีคือมีแต่ความมืดมัวเศร้ามองเล่าร้อนไม่สงบสะอาดสว่างเยือกเย็นเหมือนมีความไม่ไม่ไพเราะเหมือนกับดนตรีจิต <c oughs> ที่เป็นประพัดสอนจิตที่เป็นประภัสสอนไม่ถูกกิเลสครอบงำเป็นดนตรีอยู่ในตัวมันเองคือให้ความชุ่มชื่นไพเราะ อ, อยู่ในตัวมันเอง <c oughs> เราเรียกว่าเป็นดนตรีทางวิญญาณหรืออะไรก็แล้วแต่จะเรียกไม่ใช่ดนตรีดิสซีตีเป่าอย่างที่เราเห็นเห็นกันอยู่แต่ความหมายมันอย่างเดียวกันคือความไพเราะเรือที่จะกล่าวได้ทัา <c oughs> น, นดนตรีที่แท้ <c oughs> ก็คือความไพเราะความสวยงามความเยือกเย็นอะไรอย่างหนึ่งซึ่งได้รับ ได้ยินได้ฟังได้สัมผัสในขณะที่มีจิตว่างส <c oughs> ี่พอมานึกถึงดนตรีที่เราใช้กันอยู่ในเวลานี้ <c oughs> เราควรจะอ่านออกแล้วว่าดนตรีหรือบทเพลงหรือทานองเพลงก็ตามมันมีอยู่สองชนิด <c oughs> คือเล่าให้จิตวุ่นวายก็มีดนตรีหรือบทเพลงที่สะลอมจิต ให้สงบเย็นลงไปให้ว่างก็มีทัา <c> น <oughs> ดนตรีที่แท้จริงที่ถูกต้องตามความต้องการของธรรมชาตินั่นจะต้องเป็นดนตรีที่ทําให้จิตว่างลงว่างลงสงบเย็นลงสงบเย็นลง <c oughs> แต่เดี๋ยวนี้เราไม่ชอบเราไปชอบดนตรีของผู้ผีปีศาจที่ยุที่กระตุ้นให้จิตเส้นเร่าเร่าเร่าเ ร, าราเหมือนผู้ผีปีศาจ นี่เรียกว่าส่งเสริมให้จิตวุน่นและเมื่อเรานิยมกันอย่างนี้จะเป็นทั่วทั่วไปแล้วก็แปลว่าเรานิยมความมีจิตวุน่นเป็นพื้นฐานของสังคมไม่นิยมม่ความว่างไม่นิยมเอ่ความเป็นอยู่ในจิตว่างมันจึงเข้าใจกันยากพูดกันเท่าไหร่ก็ยากที่จะเข้าใจกันได้นึกดูถึงดนตรีของปู่ย่าตายายในสมัยโบราณ ล้วนแต่มีคานองเป็นไปในทางช่วยแตล่ล่อมกลองเก่าให้จิตว่างแต่ลูกหลานอุจจติสร้างดนตรีแต่ดนตรีชนิดทําให้จิตวุ่นเแ่ะไปนิยมคนต่างประเทศที่เขาไม่ประษีภาษาในเรื่องนี้เ <c oughs> ตลิดเปิดเปิงในทางความวุ่นนะั่นน่ะเอามาเป็นครู <c oughs> แ, แม้แต่ละคร <c oughs> แม้แต่ ละครเราก็ยังเคยได้ยินได้ฟังว่าการใชยผู้ชายด้ ว, วนๆแสดงละครอย่างนี้เมื่อสมัยเชกสเปียร์ในประเทศอังกฤษละครชายผู้ชายด้วนอย่างนี้มันน่าเอ็นดูมันตะล่อมให้เกิดความรู้สติปัญญาไม่ทำให้จิตวุน่นส่งเสริมไปในทางจิตว่าง ที่กิเลสตองคนสมัยหลังแก้ไขเอาผู้หญิงเป็นผู้หญิงเอาผู้ชายเป็นผู้ชายแสดงบทบาทที่ยั่วมากขึ้นทุกที <c oughs> ละครก็เป็นเครื่องมือส่งเสริมกิดวุ่นไปน่าที่สุดแตามาโนราเขาเล่นเป็นผู้ชายล้วนหรือละครปราโมทยสมัยหนึ่งเล่นเป็นผู้หญิงล้วนบทอย่างนี้มันน่าอินดูและมันส่งเสริมปณิฐานว่าที่เราไม่เอา เราเปลี่ยนแปลงให้มันกรงตามกิเลสตัณหาไปทุกสิ่งทุกอย่างนี่เรียกว่าเราเอียงนอกมาในทางที่จะมีกิจวุ่นมันก็ต้องได้วุ่นโดยแน่นอนในที่สุดเราจะพิจารณากันถึงสิ่งที่เราต้องการสิ่งนั้นก็คือฤทธิ์หรือกำลังในการทำการงานพลังของจิต ที่มาจากจิตว่างนั้นเป็นพลังอีกอย่างหนึ่งพลังของจิตที่มาจากจิตวุ่นนั้นมันเป็นอีกอย่างหนึ่งอย่าไปเข้าใจว่าพลังของจิตพลังของจิต แ, แล้วมันจะเหมือนกันพลังของจิตที่มาจากจิตที่เป็นประพัดสอนมันอย่างหนึ่งพลังของจิตที่มาจากจิตที่เศ้าหมองแล้ว lo. นั้นมันเป็นอีกอย่างหนึ่งพลังที่มาจากจิตที่ว่างก็คือพลังของธรรมะ พลังที่แบ่งมาจากธรรมแบ่งมาจากพระพุทธเจ้าเขาย้ําใหม่ว่าพลังต้องจิตที่มาจากจิตว่างนั่นคือพลังของธรรมะพลังที่แบ่งมาจากธรรมะพลังที่แบ่งมาจากพระพุทธเจ้าส่วนพลังต้องจิตที่มาจากจิตวุ่นนั่น <c oughs> แบ่งมาจากพูดผีปีศาจแล้วมันจะเหมือนกันได้อย่างไร พลังของจิตที่ประพัดสอนนั่นมีสติปัญญาสมบูรณ์ฉเฉลียวฉลาดว่องไวทํางานได้ดีกว่าและสนุกกว่าส่วนพลังที่มาจา ก, กจิตวุ่นนั่นทรงกันข้ามทีนี่ถ้าเราจะพูดสิ่งที่เรียกว่าพลังนี่เรียกสิ่งนี้ว่าฤทธิ์เพื่อให้มันขลังให้มันมากขึ้นไปสักสหน่อยเราก็ยังจะต้องพูดว่าฤทธิ์ นั่นต้องแสดงด้วยจิตว่างไม่ใช่แสดงด้วยจิตวุ่นฤทธิ์นั่นต้องแสดงด้วยจิตว่างไม่ใช่แสดงด้วยจิตวุ่นถ้าแสดงด้วยจิตวุ่น <c oughs> ก็เป็นเพียงความมุทะลุของพูดศีปีศาจอะไรนชนิดหนึ่งไม่ใช่ฤทธิ์แต่ถ้าเป็นฤทธิ์ที่จะสําเร็จในประโยชน์ของฤทธิ์ต้องแสดงด้วยจิตว่างพระอารหันต์แสดงฤทธิ์ได้ ไม่มีใครเหมือนก็แสดงด้วยจิตว่างแสดงได้ดีกว่าสูงกว่าที่นี้บุตรชนที่เป็นยักษ์เป็นมารในเรื่องราวต่างๆที่เราได้ยินได้ฟังแม้ว่าเขาจะแสดงฤทธ์ก็ต้องแสดงฤทธ์ด้วยจิตว่างไม่ใช่จิตวุน่นแม้ว่าเขาเป็นยักษ์เป็นมารแต่ถ้าเมื่อถึงคราวที่ต้องแสดงฤทธ์เขาต้องทาจิตให้ว่างให้เป็นสมาธิจึงจะแสดงฤทธ์ได้ถ้าเราจะเชื่อ ข้อความบางประโยคในหนังสือเช่นหนังสือรามเกียรติ์ว่าเมื่อยักษ์เช่นคุมภักันถูกบาดเจ็บสาหัสนุกทับจะไม่ได้เพราะเขาก็ร้มนลูกตัวทีเดียวหายหมดลุกขึ้นต่อสู้ได้ท่านคงจะคิดว่านี่ทำไปได้วจิตวุ่นเป็นตัวกูของกูอย่าได้คิดอย่างนั้น <c oughs> เมื่อเขารู้ว่าเขาเจ็บป่วยเขาจะตายตจะสู้ไม่ได้นั่นก็เป็นเรื่องตัวกูของกูแต่ถ้าเขาคิดในสติปัญญาก็ยังไม่มากมายแต่เมื่อเขาจะแสดงฤทธิ์ของจิตเขาจะมีจิตว่างต้องลืมความเป็นตัวกูนั่นต้องบริกรรมต้องกระทําพิธีตามเรื่องของการรวบรวมกําลังจิตซึ่งเป็นจิตว่างแล้วจึงจะแสดงฤทธิ์ได้แล้วจึงจะลูกตัวให้หายกระดูกหักหายอะไรต่างๆแล้วก็ลุกขึ้นรบได้ต่อไป อนมายืนยันว่าแม้แต่ฤทธ์ก็ต้องแสดงด้วยจิตว่างฤทธ์ของพระอาหารหันต์ไม่ต้องพูดถึงฤทธ์ของพระพุทธเจ้าไม่ต้องพูดถึงแม้แต่ฤทธ์ของยักษ์ของมารนี่ก็ยังต้องแสดงด้วยจิตว่างเพราะนั้นว่าไม่มีอะไรที่จะเ อ, อไม่ทํำด้วยจิตว่างถ้าเราต้องการประโยชน์เันแท่จริงประกอบไปด้วยธรรมสมควรแก่มนุษย์ที่มีปัญญาเอาตัวรอดได้ เนี่ยคือข้อปลีกย่อยเกี่ยวกับเรื่องของความว่างทุกแง่ทุกมุมที่จะทำความเข้าใจกันใหม่ในฐานะที่เป็นหัวใจของพุทธศาสนาอย่าลืมว่าความว่างอย่างยิ่งนั่นคือนิพพานเราได้ยินได้ฟังว่านิพพานังประมังสุญญย่งังไอ้ว่างถึงที่สุดนั่นคือนิพพานเดี๋ยวนี้เราไม่ได้ว่างไม่ได้พูดถึงว่างถึงที่สุด เรากำลัลงพูดถึงความว่างชนิดที่จะเอามาเป็นเครื่องมือในการทำการงานในการที่จะเป็นอยู่ในโลกนี้โดยไม่เป็นทุกข์ต้องขอให้กาหนดกฎเกณฑ์เหล่านี้ว่าให้ดีๆจะได้เข้าใจถูกต้องอาตอมาจึงขอยืนยันต่อไปตามเดิมว่าให้ชาวนาทุกคนทำงานด้วยจิตว่างให้กรรมกรทุกคนทำงานด้วยจิตว่าง แม้ท่านจะตีลูกตีหลานก็จงตีด้วยจิตว่างแม้ท่านจะสู้คดีเป็นความกันที่ศาลก็จงทำไปด้วยจิตว่างจะได้เปรียบโดยทุกประการแม้จำเป็นจะต้องด่าใครสักคำถ้าจำเป็นมีสติปัญญาที่ถูกต้องก็จงด่าด้วยจิตว่างอย่าทำไปด้วยจิตที่วุ่นประกอบไปด้วยกิเลสดังที่กล่าวแล้วนี่ยังคงยืนยันอยู่อย่างนี้ตามเดิมว่าเรื่องจิตว่างเป็นอย่างนี้ เป็นของขวัญที่พระพุทธเจ้าท่านได้ประทานไ่ว้สำหรับคนที่วุ่นสำหรับคนที่ร้อนขอยสนใจกันในรูปนี้ความเข้าใจผิด <c oughs> อย่างนี้มีมากเป็นพื้นฐานจึงยังเข้าใจไม่ได้แต่มาเชื่อว่าสักวันหนึ่งจะต้องเข้าใจได้ ที่เวลาที่เหลือต่อไปนี้ก็จะได้กล่าวถึงหมวดธรรมะที่จะช่วยเราในการทำงานด้วยจิตว่าง <c oughs> ปัญหาอันแรกเกิดขึ้นประทะเราอยู่ข้อหนึ่งคือว่าพุทธบริษัทในเมืองไทยแทบทั้งหมดมีความเข้าใจอยู่ว่าหลักธรรมะชั้นสูงคือเรื่องโลกุุตรธรรมนั่น ต้องแยกออกไปเด็ดขาดจากเรื่องของชาวบ้านจากเรื่องของโลกนี่เขาเขาเขาถือกันอย่างนั้นเขาเชื่อกันอย่างนั้นคือแยกโล ก, กุตตรธรรมหรือข้อปฏิบัติธรรมชาชั้นสูงนี่ออกไปจากชาวบ้านเลยไม่ใช่เรื่องของชาวบ้านมันช่เรื่องของชาวโลกนี่มันผิดเดี๋ยวจะพิสูจน์ให้เห็นว่าผิดอย่างไรโดยที่ท่านนั่นจะต้องเป็นสิ่งเดียวกันเสมอ จะผิดกันบ้างก็แต่เพียงปริมาณจะผิดกันบ้างก็แต่เพียงระดับหลักธรรมอันใดที่ใช่ปฏิบัติเพื่อไปนิพพานเพื่ออยู่เหนือนโลกหลักธรรมอันนั้นก็ยังจะต้องใช้แม้สำหรับคนที่อยู่ในโลกเพราะว่าความทุกข์มันเหมือนกันกิเลสมันเหมือนกันปัญหามันเหมือนกันยังว่า พระรัตนตรยัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราไม่อาจจะแยกว่าพระรัตนตรัยชนิดนี้เป็นของชาวบ้านพระรัตนตรัยชนิดนี้เป็นของอภิกษุที่อยู่ป่าหรือที่จะปฏิบัติเพื่อ อ, ออกไปจากโลกมันก็ต้องเป็นพระรัตนตรัยเดียวกันนั่นแหละขอแต่ให้ถูกให้ตรงให้จริงเท่านั้น พระธรรมต่สำหรับชาวบ้านก็อย่างนั้นพระตรรมไตสําหรับภิกษุอยู่ป่าก็อย่างนั้นพระตรรมไต่สาหรับพระอริยเจ้าในขั้นต้นๆก็อย่างนั้นทําไมจะต้องไปแยก <c oughs> อิทธิบาทสี่ซึ่งรู้กันรู้จักกันดีว่าเป็นธรรมะสาหรับทําความสําเร็จทีนี้อิทธิบาทสีนี่ชาวบ้านต้องใช่และท่านก็รู้กันอยู่แล้วและยอมรับกันอยู่แล้วว่าชาวบ้านนี่ใช่อิทธิบาทสี่ได้ ในการทำหน้าที่การงานให้สาเร็จและอิธิบสี่นั้นมันก็อย่างเดียวกันที่จะใช้ปฏิบัติเพื่อไปนิพพาน <c oughs> อิบรทเพื่อไปนิพพานมีความหมายอย่างไรมีอะไรอย่างไรมันก็ยังคงเอามาใช้กันกับชาวบ้านหรือกิจการของชาวบ้านได้ฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาสี่อย่างนี้หากแต่ว่ามัน จะมีปริมาณมากน้อยกว่ากันหรือคนะระดับแต่เนื้อแท่เหมือนกันลองอ่านถึงลักษณะของอิทธิบาตที่เป็นใ น, ในขั้นสูงสุดพระพุทธเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นๆย่อมเจริญอิทธิบาตประกอบพร้อม้วยทำเครื่องกรุงมีสมาธิอันสำปยุทธ์ด้วยฉั้นทะเป็นประธาน ด้วยวิทยะเป็นประธานโดยจิตตะเป็นประธานโดวยวิมังสาเป็นประธานแยกไปทีละข้ออย่างนี้ว่าโดยอาการอย่างนี้ฉันทะของเราจักมีความหดเหียวจักไม่มีความหยุดนิ่งจักไม่มีความหยุดอยู่ในภายในจักไม่มีความฟุ้งออกไปภายนอกจักไม่มีเราเป็นผู้มีสัญญาในการก่อน <c oughs> และเบื้องหน้าอยู่เสมอจนจัด ให้เป็นไปได้ว่าก่อนนี้ชั้นใดต่อไปก็ชั้นนั้นต่อไปชั้นใดก่อนหน้านี้ก็ชั้นนั้นเบื้องล่างชั้นใดเบื้องบนชั้นนั้นเบื้องบนชั้นใดเบื้องล่างชั้นนั้นกลางคืนชั้นใดกลางวันชั้นชันนั้นกลางวันชั้นใดกลางคืนชั้นนั้นเธอย่อมอบรมจิตอันมีแสงสว่างด้วยจิตอันเปิดแล้วไม่มีอะไรผัวพันให้เจริญอยู่ในอาการอย่างนี้ นี่รกบรญยายคุณสมบัติของอิทธิบาทขั้นสูงสุดที่สุดแล้วที่จะบำเพ็ญในขณะที่จะบรรลุมรรคผลแต่แล้วท่านลองพิจารณาดูว่าทุกๆุกประโยคหรือทุกวัน ล, ลีนี่มีความหมายเหมือนกับที่จะเอามาใชา้กับเรื่องของคราวาสเขาต้องบำเพญญ็ญอิทธิบาทในลักษณะที่เป็นสมาธิมีความรู้สึกที่เป็นฉันทะหรือวิริยะหรือกิตตะเป็นต้นนั้นเป็นประธานของสมาธินั้น จนว่าความหดเหี่ยวท้อแท้ก็ไม่มีความหยุดนิ่งก็ไม่มีความหยุดอยู่ในภายในเอสยบอยู่ในภายในก็ไม่มีความฟุ้งซ่านออกไปภายนอกก็ไม่มีแต่ก่อนอย่างไรเดียวนี้อย่างนั้นก็หมายควาว่าความสม่ำเสมอเราไม่ให้เป็นบุคคลที่ว่าที่แล้วมาอ่อนแออที่แล้วมากล้าหาญที่ที่หลังอ่อนแอตรงนี้ไม่มีที่ว่าก่อนก็เป็นอย่างไรเดียวนี้ก็เป็นอย่างนั้น เบื้องบนอย่างไรเบื้องล่างก็ฉันนั้นกลางวันอย่างไรกลางคืนก็ฉะ น, นั้นนะเข้วาว่าเหมือนกันทั้งกลางวันและกลางคืนสําหรับความมีทิบาทมีจิต <c oughs> ที่อมีแสงสว่างมีจิตที่เปิดแล้วคือไม่มีกิเลสมาปิดไม่มีอะไรขั้วพันนี่แม้ว่าจะเป็นจํานวนที่สูงถึงขนาดว่ามีจิตนั้นเปิดแล้วไม่มีอะไรขั้วพันก็ยังมาใช้ได้กับว่าเมื่อเราทําการงานทําร่ทราทนา น, นี่เราก็ต้องมีจิตอย่างนี้ ท่านท่านจงเชื่อตามที่ท่านมองเห็นอยู่บ้างแล้วว่าธรรมะท่านสูงที่ไปนิพพานเช่นอิธิบาทสีนี่ก็มาใช้เป็นเรื่องของชาวบ้านได้ที่ธรรมะเช่นมักมีองค์แปดมักมีองค์แปดความถูกต้องแปดประการนั้นแม้แต่คนเพิ่งจะเริ่มศึกษาก็รู้ได้วันนี้ชาวบ้านปฏิบัติได้ ทั้งทั้งที่มัชชิมาปฏิปทานี้พระพุทธองค์ตรัสไว้ในฐานะเป็นข้อปฏิบัติเพื่อบรรลุนิพพานนี่แสดงว่าข้อปฏิบัติเพื่อบรรลุนิพพานโดยตรงนั้นอะ่ะใช้กับชาวบ้านชั้นตน้นชั้นต่ำที่สุดก็ได้เช่นมัสมีองแปดนี่เรื่องที่สูงสุดเช่นเรื่องสุญญาตาพระพุทธเจ้าก็ตรัสแก่คาราวาตกลุ่มนั้นในฐานะที่ยืนยันว่าเหมาะสําหรับคาราวาท พราะนั้นเลิกเข้าใจว่ามีธรรมะที่ต้องแบ่งแยกเป็นของพระอย่างหนึ่งของชาวบ้านอย่างหนึ่งของผู้ที่จะไปนิพพานอย่างหนึ่งของผู้จะต้องทําการงานในโลกอย่างหนึ่งนี่เลิกความคิดอย่างนี้กันเสียทีมันเป็นความคิดที่ข่ามันผิดกันแต่เพียงผิวภายนอกที่เปลือกเนื้อแท้มันเหมือนกันเพราะฉะนั้นอาตมาจึงยกเอาหมวดธรรมซึ่งลีกไม่พ้น จะต้องเป็นหมวดธรรมสำหรับปฏิบัติเพื่อบรรลุนิพพานนั่นแหละมาเป็นหลักวางไววสำหรับการปฏิบัติของคราวาสที่จะทำมาหากินที่จะต้องทำงานด้วยจิตว่างดังที่กล่าวแล้วจึงพูดเป็นหัวข้อว่าเมื่อต้องการจะทำงานด้วยจิตว่างก็จงใช้หลักของโพชฌงเจตประการเป็นหลักปฏิบัติในการที่จะทางานด้วยจิตว่างบางคนจะสะดุ้งเพราะว่าโพชฌงเจตประการนั่น เป็นองค์สําหรับการตัดรู้เป็นพระอระหันต์แต่เล่าทําไมมาว่าเป็นเรื่องสําหรับธรรมะหากินของชาวบ้านเนี่ยขอฟังกันต่อไปแต่อย่าลืมว่า <c oughs> หมวดธรรมทั้งหลายที่ได้ยกมาเป็นตัวอย่างขั้งต้นแล้วนั่นเป็นหมวดธรรมในขั้นบรรลุนิพพานแต่มาเป็นเรื่องของชาวบ้านได้นี่โพจทธจงเจตประการนี่ก็เหมือนกันขอแต่เพียงว่าให้เข้าใจความหมายของธรรมะนั้นๆ ให้กว้างขวางให้ถูกต้องและให้สมบูรณ์จนรั่วเราจะจัดเอามาปรับให้เหมาะกันกับการงานของชาวบ้านได้อย่างไรเรื่องอิทธิบาทสี่ก็ยกตัวอย่างให้เห็นแล้วว่าใช้กันได้ดีทั้งผู้ที่จะไปนิพพานและผู้ที่จะทำการงานที่บ้านทีนี้สำหรับเรื่องโทษชง เจ็ดสการนั่นเราจงถือว่าสิ่งที่เรียกว่าโพชชงนี่แปลว่าองค์แห่งการจัดสรุปคือเครื่องมือสำหรับทำงานให้สำเร็จเป็นมักเป็นผลในทุกชนิดและทุกกรณีท่านจงถือว่าพระพุทธเจ้าได้จัดธรรมะนี้ไว้ในฐานะ ที่จะทําสิ่งต่างๆให้สําเร็จเป็นมั่งเป็นผลในทุกชนิดและทุกกรณีทุกชนิดและทุกกรณีนี่หมายความว่าทั้งทางโลกทั้งทางธรรมทั้งอย่างต่ำทั้งอย่างสูงเราทอดเอาใจความมาใช้ให้เหมาะสมแก่เรื่องอย่างที่เรียกว่าประยุกต์ให้ถูกกันกับระดับเท่า น, นั้นเองท <c oughs> ี่เราจะดูตัวสิ่งที่เรียกว่าโพชน์ชงไปตามลําดับ <c oughs> ข้อที่หนึ่งเรียกว่าสติสติโพชชงหรือสติสัมโพชชงตัวแท้ก็คือสติสตินี่คือการระลึกอย่างทั่วถึงรอบคอบในทุกสิ่งที่เกี่ยวกับตนเกี่ยวข้องกับตนหรือว่าทุกสิ่งที่อาจจะระลึกออามาได้เนี่ยคือความหมายแท้จริงของสิ่งที่เรียกว่าสติ ระลึกอย่างทั่ ว, วถึงรอบครอบที่สุดว่าอะไรเป็นอย่างไรมีลักษณะอย่างไรคืออะไรจากอะไรเพื่ออะไรโดยวิธีใดล่ะนี่ในทุกสิ่งที่มันจะเกี่ยวข้องกับตนหรือว่าที่ตนอาจจะระลึกออกมาได้ <c oughs> นี่เป็นอันแรกที่เราจะต้องทําที่อันถัดไปเรียกว่าอธรรมวิจยะสัมโพทมุทธชงนี่ก็แปลว่าวิจัยสิ่งเั้นนั้นวิจัยธรรมหรือวิจัยสิ่งเงินนั้น นี่หมายความว่าเราเลือกเราวิจัยนี่คือเราศึกษาให้รู้เพื่อจะเลือกได้สิ่งที่เหมาะกับปัญหาของเราเหมาะกับสมรรถภาพของเราเหมาะกับอุปนิสัยของเราเหมาะกับโรคหรือเหมาะกับทุกของเราแต่เรามาวิจัยแยกโดยแ ย, ยกใครทีหนึ่งว่าจะใช้หรือจะปฏิบัติหรือจะกระทำให้ถึงที่สุดได้อย่างไรอย่างนี้เรียกว่าทำมวิจัยสัมโพธิชน ที่ถัดไปก็คือวิริยะสัมพุทธจงไม้วาวหลังจากนั้นก็ใช้ความกล้าหาญความเข้มแข็งความอดทนความภากเพียรความบากบันกระทาสิ่งนั้นหรือสิ่งที่เลือกแล้วนั้นในความควบคุมของสติสมัมปชัญญะและธรรมวิจัยที่กล่าวมาแล้วที่ข้อที่สองไม่มีทางที่จะจิตวุ่นวายกันมาได้เพราะอานาจสิ่งนี้ <c oughs> ทีนี้ก็ามาถึงข้อที่สี่ที่เรีกวปีตีสมพดจงจะต้องมีความพอใจมีความอิ่มใจมีความสนุกสนานในการกระทำหล่อเลี้ยงความภาคเพียร น, นั่นไว้เสมอมีความพอใจมีความอิ่มใจมีความสนุกสนานในการกระทาที่ทำงานเพื่องานทำไมประกอบปรดิธรรมนี่อยู่เสมออย่าให้เป็นกำลังสำหรับหล่อเลี้ยง ความภาพเปลี่ยนอยู่เสมออย่าได้ไปอาศัยกำลังแห่งตัวกูของกูคือเรื่องของจิตวุ่นลึอกอิเลสนั้นเป็นอันขาดอย่าไปเอากำลังของตัวกูของกูที่คลุ้งพล่านด้วยความกระหายความใจเยาใจยานอะไรอย่างนั้นมาเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงเป็นอันขาดจะให้หล่อเลี้ยงว่าด้วยความพอใจที่เป็นธรรมความอิ่มใจที่เป็นธรรมความสนุกสนานที่เป็นธรรมที่เกิดจากการกระทํานั้นมาหล่อเลี้ยงไว้เสมอ ที่นี่วิทยาภาคเพียนนี้ก็เป็นไปอย่างสมงเสมอเพราะปีติหล่อเลี้ยงไว้ <c oughs> ที่อันที่ถัดไปเรียกว่าปัตรสัตทีสัมโพธชงนี่ปรับปรุงทุกอย่างทั้ที่แล้วมานี่ให้มันเข้ารูปให้มันลงรูปให้มันกลมกลืนกันเป็นอันดีที่ภาษาธรรมะเราเรียกว่าสมังคีหรือธรรมะสมังคีเพราะมีธรรมะหลายข้อธรรมะเหล่านั้นจะต้องถูกปรับปรุงกันให้ดี จนกระทั่งกลมเกลียวเป็นสิ่งเดียวกันไม่แยกกันอยู่เป็นสิ่งสิ่งอย่างนี้เรียกว่าการข้าวรูปหรือการลงรูปของอธรรมะนั้นๆซึ่งเราปฏิบัติอยู่หรือของการงานการธรรมะห้ากินอะไรก็ตามที่เรากาลังจะทาอยู่ไม่มีการกระทบกระทั่งภายในไม่มีการกระทบกระทั่งภายนอก ไม่มีการถอยกลับเพราะความที่มันลงรูปเป็นอันดีที่นี้พุชงข้อที่หกก็คือสมาธิพุโภชงนี่ถึงระยะการที่จะตั้งทุ่มเทกำลังจิตทั้งหมดทั้งปวงลงไปในงานนั่นหรือในการกระทำนั่นเป็นสมาธิที่เข้ม ท, ท, ท, ที่เต็มเปี่ยมที่มีกำลังกล้าแข็งมีคุณสมบัติสามประการคือว่า บริสุทธิ์นี่เรียกว่าปริสุทธิโทนี่บริสุทธิ์ไม่มีความรู้สึกสงสัยระแวงลังเลรังเกียจอนะไรแล้วก็สมาฮิโตคือความมั่นคงไม่วอกแวกมีพลังที่แท้จริงคือพลังจากจิตว่างเป็นเครื่องสร้างความมั่นคง <c oughs> แล้วก็มีกรรมนิโยคืออ่อนโยนนิ่มนวลควรแก่การงานไปทั้งหมดนี่ที่เรียกว่าแอคทีฟที่สุด นี่คือความหมายของคำว่าสมาธิสัมโพชมง <c oughs> อันสุดท้ายเรียกว่าอุเบขาสัมโพชฌงอันนี้แปลว่าเฉยก็จริงแต่มีความหมายพิเศษคือปล่อยให้สิ่งที่ลงรูปได้ที่แล้วทุ่มเทสมาธิเต็มที่แล้วนั่นเป็นไปตามเรื่องขึ้นมาคือปล่อยให้สิ่งที่ได้ที่ได้ที่ดีแล้วนั่น แล่นชิวไปตามกฎเกณฑ์ของมันอาการของคุณนั้นมีอาการเหมือนกับเฉยมันเหมือนกับว่าเราจะดเตรียมรถของเราหรืออะไรต่างๆที่เกี่ยวกับรถของเราได้ที่แล้วก็ขับเฉยเพียงแต่ถือพวกมมลัยเฉยรถก็แล่นเฉยชิวไปเรื่อยจนกว่าจะถึงที่สุดใจความสาคัญอยู่ตรงที่รอได้คอยได้ด้วยความสงบ จนกว่าจะถึงที่สุดคนสมัยนี้รออะไรไม่ได้คอยอะไรไม่ได้มีใจิตใจรล่าร้อนเดือดพลานอยู่เสมอไม่มีอุเบกขาในทุกกรณีนี่มันขัดกันอย่างยิ่งนี่ถ้าลองคิดดูว่าธรรมะเจ็ดประการนี้สำหรับการจัดสรุเป็นพระอรหันต์นั่นเอามาใช้ในการทามาหากินหรือทำงานด้วยจิตว่างของชาวนาของกรรมกรได้อย่างไร ของลูกเด็กๆที่จะเล่าเรียนเติบโตไปข้างหน้าได้อย่างไรของคนหนุ่มคนสาวที่จะตั้งตัวตั้งตนได้อย่างไรเขามีพจนจงที่หนึ่งคือความล้ำลึกรอบคอบไปทุกสิ่งทุกด้านทุกแง่ทุกมุมเขามีพจน์จงข้อที่สองคือเลือกเอาด้วยสติปัญญาที่เหมาะแก่อุปนิสัยเป็นต้นของเขาแล้วเขาเป็นคนจริงระดมทุ่มเทกําลังความภาคเพียรอะไรลงไปจริงๆ แล้เขาฉลาดที่จะรักษากําลังของความเพียร น, นี้ไว้ได้ด้วยสร้างความพอใจหรือปีติที่เป็นธรรมหลอเลี้ยงไว้เรื่อยความภาคเพียรก็มีแต่จะยิ่งมีกําลังมากขึ้นแล้วเขาก็จัดให้มันลงรูปเพราะว่าถึงระยะที่จะตั้งจัดให้มันเข้ารูปลงรูปด้วยความเฉลียวฉลาดให้ทุกสิ่งที่มันเกี่ยวข้องกันเพื่อทํา ท, ทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกันนี่ให้เข้ารูปหรือลงรูป เป็นธรรมะสมังคีคือทำทั้งหลายข้าวรูปลงรูปกันนี่ก็คือว่าสิ่งต่างๆที่เขาทํานั้นมันข้าวรูปลงรูปกันถ้าเขาจึงระดมทุ่มเทกําลังหรือพลังทางจิตลงไปทั้งหมดจนถึงที่สุดถ้าเขาก็อดทนอยู่ด้วยความงสงบเสงี่ยมจนกว่าจะถึงนาทีที่เกิดผลโดยสมบูรณ์ เนี่หลักคำพูดจงเป็นอย่างนี้ขอยืนยันว่านี่เป็นหลักที่จําเป็นแก่คนทุกคนที่ยังมีชีวิตอยู่จะเป็นคนชนิดไหนประเภทไหนระดับไหนก็ตามเป็นยังเป็นคาราวาส์ครองเรือนอย่างยิ่งก็ตามต้องใช้หลักเกณฑ์อันนี้ทําการงานจึงจะเรียกว่าทําการงานอยู่ด้วยจิตว่าง ไม่มีกิเลสเข้ามาแทรกแซงในการงานนั้น <c oughs> จะทำราร่ทำนาค้าขายหรือวเด็กๆจะตั้งต้นเรียนหนังสือตั้งตัวก็พยายามชี้แจงเขารู้จักใช้หลักเกณฑ์เจ็ดประการนี้ <c oughs> ทีนี้คนที่จะปฏิบัติธรรมะวิปัสสนากรรมฐานเพื่อบรรลุมรคผนก็ต้องใช้หลักเกณฑ์เจ็ดประการนี้ที่แม่แต่เป็นพระพุทธเจ้าแล้วท่านก็ยังพอประทายของท่าน จนเมื่อท่านเจ็บป่วยประชวนขึ้นมายังต้องเรียกภิกษุองค์ใดองค์หนึ่งมาออกชื่อธรรมะเจะการนี้ให้ท่านได้ยินแล้วก็ท่านก็หายป่วยมันติดติดทิ้งในขณะนั้นซึ่งท่านทั้งหลายที่เคยอ่านเรื่องเอในพระคัมภีร์มาแล้วย่อมได้ยินได้ฟังมากมายจนถึงกับเกิดพิธีธรำเนียมว่าคนเจ็บหนักเอาพระมาสวดพุทธชงเจะการให้ฟังอย่างนี้เป็นต้น มันดีมากตั้งแต่ต้นจนปลายอย่างนี้ <c oughs> แ้วกขอให้พยายามศึกษากันให้ละเอียดละออที่จริงก็เป็นหมวดธรรมะที่ได้ยินได้ฟังได้ศึกษาเล่าเรียนกันอยู่ในโรงเรียนนักธรรมตามวัดตามวาทั่วไปแล้วแต่เชื่อว่ายังจับเอาใจความหรือาสาระที่แท้จริงไม่ได้จึงเอามาใช้เป็นประโยชน์ไม่ได้ประยุกไม่ได้แอพพลายไม่ได้นเรื่องนี้ทมา เอามายืนยันนักหนาอย่างนี้ก็เพราะว่ามีวิธีเดียวนี้ที่ดีที่สุดที่รัดสั้นที่สุดและทําได้ง่ายๆที่สุดที่จะทํางานด้วยจิตว่างในเมื่อได้ใช้หมวดธรรมะเจ็ดประการนี้เพราะว่าหมวดธรรมะเจ็ดประการนี้ก็คือการกระทําไปด้วยความว่างหรือจิตว่างนั่นเองหรือว่าในขณะที่มีจิตว่างแล้วจะประกอบอยู่ได้ธรรมะเจ็ดประการนี้ได้ง่ายที่สุด เหมือนกับที่ได้กล่าวมาแล้วข้าต้นว่าเมื่อจิตว่างเมื่อนั้นสมบูรณ์อยู่ในสตนิสมบัชัญยะเป็นต้นสมบูรณ์อยู่ใด้วยปัญญาเป็นตน้นและเป็นสมาธิอยู่ตามธรรมชาติในตัวมันเองคือในจิตว่างนั้นทัานนี้เรามาทําให้เป็น อ, อระบบที่ดีที่รัดคุมให้ศหลักวิชาให้เห็นชัดโดยไม่ต้องเชื่อคนอื่นไม่ต้องอาศัยศัทธางมงายอาศัยปัญญาตามแบบของพุทธศาสนาอยู่เสมอแล้วก็จงชใช้หลักธรรมะเหล่านี้ คือเจ็ดปรการนี้ที่เรียกว่าโปรชงก็จะได้ชื่อว่าเป็นผู้ทำงานโดยจิตว่างมีชีวิตอยู่ด้วยจิตว่างในที่สุดนี่ซึ่งเวลายังจะหมดลงนี้ก็ก็ขอทบทวนความจำเพียงข้อเดียวว่าอย่าลืมว่าหลักโลกุตตธรธรมนั้นใช้ได้อย่างเดียวกัน กับแม้กับการทำการงานอของคนที่อยู่ในโลกเพราะว่าคนที่อยู่ในโลกก็ก็คือคนที่ต้องการจะข้ามขึ้นจากโลกเพราะว่าถ้าไม่ต้องการข้ามขึ้นจากโลกก็คือจมอยู่ในกองทุกข์เมื่อต้องการจะข้ามขึ้นจากโลกก็คือมุ่งหมายโลกุตระน <c oughs> ั่นหลักของโลกุตระจึงเป็นหลักสำหรับความดับทุกข์ ดับทุกทั้งปวงดับทุกในทุกกรณีมีความหมายครอบคลุมเป็นอันเดียวกันหมดตั้งแต่เบื้องสูงที่สุดลนลงมาจนถึงเบื้องต่ําที่สุดอย่าได้แยกเป็นธรรมะสองฝ่ายว่าธรรมะชาวบ้านธรรมะที่วัดธรรมะสาหรับไปนิพพานธรรมะสําหรับจมอยู่ในโลกไม่มีธรรมะข้อไหนที่พระพุทธเจ้าได้วางไว้สําหรับให้คนจมอยู่ในโลกมีแต่ธรรมะที่จะถอนคนขึ้นเหนือโลกเท่านั้น แม้ว่าให้ทำมาหากินนี่ก็เพื่อให้ฉลาดจนถอนตนขึ้นออกออกออกปจากโลกแล้วเมื่อการทำมาหากินผิดวิธีนํามาซึ่งความทุกข์แล้วก็จงใช้ธรรมะเป็นเครื่องมือสําหรับทําให้ถูกวิธีอย่าให้การทำมาหากินนั้นเป็นทุกข์ขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นจึงต้องศึกษาซึ่งกิจชนิดหนึ่งซึ่งธรรมชาติมีไว้ให้เราเป็นพื้นฐาน เราควบคุมให้ดีรักษาให้ดีอย่าจัดแจงให้ดีพัฒนามันให้ดีอันก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่เราไม่มีสิ่งใดที่เป็นประโยชน์ยิ่งไปกว่านี้แล้วและจิตว่างนี่จะเป็นเหมือนกับสารพัดนึกคือใช้อะไรก็ได้ในกรณีใดที่เป็นปัญหาและจะแก้ได้หมดนั่นมาจึงขอยืนยันไปตามเดิมว่าทำงานด้วยจิตว่าง ในฐานะที่ว่าเ ป, เป็นเป็นเป็นวันขึ้นปีใหม่มาหยกหยกอยากจะข อ, อะส่งความสุขปีใหม่นี้ด้วยจิตว่างโดยคำที่เคยยืนยันแล้วผูกขึ้นเป็นคำกลอนว่าจงทำงานทุกชนิดด้วยจิตว่างแล้วก็ยกผลงานให้ความว่างทุกอย่างสิ้น ก็กินอาหารของความว่างอย่างพระกินแล้วก็ตายเสร็จสิ้นแล้วในตัวแต่หัวทีข้อความนี้ก็ได้กล่าวับอภิปรายกันแล้วในการบรรยายครั้งที่แล้วมานี่เอามากล่าวอีกแต่ว่าฝากไว้จำง่ายในรูปของบทกลอนว่าทำงานทุกอย่างทุกชนิดจงทำด้วยจิตว่าง แล้วได้ผลงานมาเท่าไรอย่างไรอย่ากล้าสาคัญมั่นหมายว่าเป็นของตนหรือของกูจงยกไว้ให้แก่ความว่างของธรรมชาตินั่นแหละจะปลอดภัยนั่นแหละมันจะไม่ขบไม่กัดไม่อะไรเรา <c oughs> ที่เราจะกินผลงานนั่นใช้ผลงานนั่นก็เรียกว่ากินของความว่างเมื่อมีจิตว่างก็กินของความว่างได้ ไม่มีอะไรที่จะมาขัดขวางได้เหมือนพระกินอาหารของความว่างนั้นหมายความว่าภิกษุที่แท้จริงยอมสำนึกในความไม่มีตัวตนหรือของตนอยู่เสมอโดยบทปัจจวกที่มีความหมายอย่างนั้นนิสัตวโตนิชีโวสุญโยไม่ใช่ชีวะไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลว่างเปล่าจากตัวตนกำลังเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่เนืองนิด ทั้งอาหารที่กินและทั้งตัวผู้กินอาหารนั่นด้วยอย่างนี้เรียกว่ากินอาหารของความว่างก็งกินได้ไปจิตว่างไม่มีความทุกข์เลย <c oughs> ส่วนความตายนั้นหมดสิ้นกันไปแล้วตั้งแต่ทีแรกตั้งแต่ที่มีจิตว่างมาแต่เดิมเพียงแต่เราหลงไปทำให้จิตวุน่นให้โง่ขึ้นมาก็มีตัวตนขึ้นมาอีกพอจิตวุน่รนระงับไปกิเลสระงับไปปาทารนระงับใหม่มันก็ว่างไปตามเดิมไม่มีตัวตนอีก เมื่อไม่มีตัวตนมันก็ไม่ตายไม่มีความตายเนี่ยจึงบอกให้สาบ ว, ว่าที่แท้ที่ถูกที่จริงนั้นความตายนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ได้มีมาเลยไม่ได้มีมาแล้วแต่ัวทีทีแรกน้นแต่เพราะความหลงความโง่ของคนเข้าไปยึดมั่นในสิ่งเหล่านี้ความตายจึงมีขึ้นมาบ่อยๆคือกลัวตายเป็นปัญหาเพราะความเกิดแก่เจ็บตายนี่ขึ้นมาบ่อยๆ และถ้าเราเป็นอยู่ด้จิตว่างทา ง, งานด้วยจิตว่างห่างกินอาหารด้วความว่างอย่างที่ว่าแล้วสิ่งที่เรียกว่าความตายจะสิ้นสุดมาแล้วตั้งแต่ทีแรกไม่มารบกวนอีกต่อไปไม่มีตัวเราที่จะต้องตายไม่มีความสงคัญมั่นหมายว่าอะไรเป็นตัวเราเนี่คื อ, อ, อคำบรรยายตอนสุดท้ายที่เรียกว่าหลับธรรมะที่จะช่วยให้เรา สามารถทำงานด้วยจิตว่างมีอยู่ดังที่กล่าวมานี้นวาตมาได้กล่าวสิ่งที่ได้ตั้งใจไว้ว่าจะกล่าวทั้งสามขั้นสามตอนจบไปแล้วโดยบริบูรณ์ในวันนี้จ <c oughs> ึงหวังอยู่ว่าท่านทั้งหลายที่หวังจะได้ประโยชน์เอจากการบรรยายนี้จะได้นำไปพินิษ์พิจารณาดูโดยไม่ต้องเชื่ออาตมาแม้แต่ประการใด พงเชื่อตัวเองได้ตามหลักของพุทธศาสนาจึงจะขอให้พิจารณาอย่างละเอียดแยกคายและนั่นแล้วก็จะกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่ารู้เองเห็นเองปฏิบัติเองช่วยตัวเองได้ <c oughs> เป็นหลักเกณฑ์ของพุทธศาสนาโดยแท้จริงอาตมาขอยุดตีการบรรยายในวันนี้ก็ความต้ ง, ตงควรแก่เวลา เพียงเท่านี้